จะคุยคุนแม่วะดิกลัไปคิดนุ่นคิดนีแล้วมันตกผลเยอะมากต้องคำาขอขอรับคำตบคือไตบคืออะไรตอบคือในใจ cinnamon นะจ๊ะไปคิดนุ่นคิดนี้แล้วมัน ลับอะไรยังไม่ค่อยได้ที่ท่านสอนไปไเป็นอะไรก่า <c oughs> ก็อย่างแบบเรื่องที่ท่านบอกเรื่องที่เขาเอาเงินส่วนของที่พ่อตั้งใจจะให้ทุกให้ลูกทั้งสองคนเท่าๆกันแล้วเขาให้พี่ชายเย่องน้อย <c oughs> ของโยมเขาเอาไปทำลุ่นนี่ จหมดไปมมไม่ได้กลับมาซึ่งท่าอาจารย์ก็บอกว่าเขาก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเขาก็คงรู้สึกนะเขาก็แต่เขาจะไม่ยอมเขาก็คงไม่เขาค ง, คงไม่ยอมรับที่ว่าเขาทําผิดไปว่าเขาเอาไปใช่ไหมะซึ่งอันนั้นก็เข้าใจแต่ที่ไม่เข้าใจคือเราจะให้หมายความว่าตัวเรานี้นต้อง ให้อภัยสิ่งที่ก็ทําทุกอย่างคือจริงๆลำดับแรกที่ในความรู้สึกหรือในความต้องการตองยอมคือต้องการยังไงความต้องการนีร้ยอมต้องการไหคือก็อาจจะต้องการว่าให้เขาอาจจะ <laughs> โอเคก็อาจจะยอม พูดว่าเออโอเคแม่เสียใจยนะเอาไปทำนั่นแล้วแต่ว่า เ, เดี๋ยวจะจัดการให้เดี๋ยวจะคือเหมือนกับทุกอย่างก็ไปเรื่อยๆมันก็หมดไปแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเพราเงินนี้ตั้งใจไว้ว่าตอนที่เขาเคยพูดไว้ว่า จะได้ที่จะแบ่งกันเคยตั้งใจว่าอยากจะเอาไปส่งลูกชายไปเรียนปริญญาโทต่อแต่เขาก็เอาไปทำมันจนมันหมดเรียบร้อยหายไปหมดแล้วจริงๆต้องการอยากให้แม่คืนหรือต้องการอยากให้แม่ขอโทษอาจจะอันแรกมากกว่าอันที่สองคือถ้าถ้าคืนด้วยได้ก็ช่วยคื อ, ค, อคือตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนว่า ทุกอย่างจะมันก็้หายมันหายไปในอากาศแล้วมันเราก็ไม่พูดอะไรกันแล้วมันก็จบไปแล้วแเราเราทำใจยังไม่ได้เป็นจริงอยากได้เงินมากกว่าคําขอโทษคํำขอโทษนี่อยากได้มากอยากได้มากคือคือคือไม่เข้าใจว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงถ้าถ้าคือเหมือนว่าเขาทา <ท>มีความรูว่าเขาทําผิดมากเลยที่เขาเอาเงินเราไปโดยไม่ได้บอกแล้วเราเอาไปทําค่อนข้างจะไมผ่ผิดผิดเลื่ออะไรเอาไปเอาไปให้คนอื่นยืนโดยไม่บอกเราแล้วเอาไปยืนโดยที่เราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ทางเอาเงินมาคืนแต่ว่าเขาก็ทําไปโดยไม่ได้คิดว่าอะไรแต่ขณะที่เขาจะบอกว่าให้พี่ชายไปแล้วเพราะพี่ชายนิคมันนี่ พี่ชายมาขอไม่รู้ขอหรือเปล่าที่เขาบอกก็พี่พชายเขาต้องการเงินก็ให้เขาไป <c oughs> เขาเรียบร้อยแนละ้วแต่เราไม่อยู่ตอนนี้แม่ก็เออเอาไปเอาไปทําอะไรของแม่ไปก่อนอะไรอย่างนี้แล้วพอทําไปแล้วมันก็หายไป <c oughs> คือสําหรับเราเป็นลูกเราก็ต้องทํำยังไงเราก็จะบอกว่าจ่าแม่คือที่ทําใจไม่ได้คืออย่างนั้น อ, อยาก ท, ที่จะแบบอยากที่จะไม่คิดถึงมันแต่มันก็คิดว่าโอ้แม่ทำไมทำกันเราจริ ง, จ ร, งจริงการคิดเนี่ยถูกแล้วแต่ให้คิดที่มีปัญญาเป็นตัวนำจิตอย่าคิดด้วยความพุ่งสั้นหรือคิดแบบจิตที่มันติดตันหาทางออกไม่ได้คิดแล้วมันวกวนสับสนเลยก็หมดแลคืนนี้ไปวกอยู่แล้วก็ในที่สุดจร็งๆก็มันก็กลับมาย้อนทาร้ายตัวเองอยู่ดีดตอนเนี้ย มันไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องเงินแต่มันเป็นปัญหาด้านติดกับดักความคิดมันติดกับดักความคิดแล้วแล้วก็ตกร่องความคิดร่องนี้มันลึกทำท่าจะปีนขึ้นมาเบีดเสร็จก็ยังมีความสุขกับการที่จะอยู่กับมันตกดลงใหม่ๆมาเคลื่อน <laughs> <laughs> ใช่ไหมเราเออ <laughs> ก็ไม่เป็นไรที่เป็ประเด็นก็คือว่า การคิดลักษณะอย่างนี้เนี่ยอันนี้ดูโทษมันก่อนเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องผิดถูกตอนนี้เขาเรียกว่าประทุษร้ายท ย, ยีโดยชนิดที่ไม่ได้มีใครมาทําร้ายเราแต่จิตเนี่ยมันตั้งประเด็นไว้ตัญหาความต้องการของเรามือตั้งประเด็นว่าผู้นี้ทําผิดต่อเราเมื่อเราไปตั้งประเด็นว่าคนค น, นี้ทําผิดแก่เราแล้วเนี่ยมันก็เลยนําจิตของเราให้ ปงแต่งไอสัญญาสัญญาในที่นี้แปลว่าความจําความจําว่าเงินก้อนนี้มันควรเป็นของเราแต่เงินก้อนนี้แม่เอาไปให้คนอื่นยืมเงินอีกก้อนนึงเอาไปให้พี่ชายแต่เนี้ยไม่ให้เราแม่ทําผิดต่อเราอนอกจากทาผิดต่อเราแล้วแม่ยังไม่ยอมสารภาพผิดอีกด้วยอันนี้เป็นความผิดดับเบิลผิดผิดยกกําลังสองใช่ไหม แล้วก็มองไปเงี้ยฉานแต่ข้าวแต่ข้าแล้วก็บอกแม่ทําไม่ถูกแม่ทําอย่างนี้ได้ยังไงเราก็เป็นลูกยอมก็โป่งไปสิพอโป่งแบบเนี้ยก็ขุดร่องฝังตัวเองไปเรืๆๆๆๆๆ่อยๆฉันเห็นอยู่อย่างเมื่อวานเนี่ยยังไม่อยากจะเจาะตรงๆแต่วันนี้มาแล้วจะเจาะตรงๆจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วกระบวนการความคิดเนี่ยนะเ อ, อมันจริงๆแล้วก็คือว่าเมื่อกี้ฉันต้องถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย ต้องการเงินใช่ไหมหรือต้องการคำขอโทษบอกที่จริงเนี่ยมันอยากได้ทั้งสองคำเชื่อไหมถึงได้ทั้งสองคำมันยังไม่พออีกตัณหามันยังไม่ยอมอีกเราต้องมาทวงเราต้องมาให้เหตุการณ์มาตั้งนานมันต้องมีการมาพูดกันต้องมีการกระทบกันถึงได้อะไรต่างอีกเยอะในที่สุดจริงจริงมันก็ยังไม่ยอมเพราะอะไรเพราะความต้องการมันไม่เคยอิ่ม มันไม่เคยอิ่มต่อเรื่องราวที่มันจะเอามันไม่ใช่ตัวโยมนะมันไม่เจทตัวโยมนะมันแปลมันเป็นความต้องการที่มันฝังอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกคนไอตัวเนี้ยมันฝังแน่นอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกคนมันจะเกิดมาอารวาสก็ต่อเมื่อมันได้โอกาสและมันได้เหตุปัจจัยอย่างพิมพตอนเนี้ยมันได้แล้วมันก็ออกมาอารวาสออกมาเพ่นพ่านมันไม่ใช่เรื่องเงินแล้ว มันเป็นเรื่องของความจําว่ามีใครคนหนึ่งทําร้ายเราแล้วและความจําเหล่านี้มันเป็นสัญญาภาษาพระเขาเรียกว่าอะกุศลสัญญาบาปประสัญญาเขาเรียกหรือเรียกตามภาษาพ้ายอย่างหนึ่งเขาเรียกปะปันแก่สัญญาเป็นสัญญาตัวปัน่นมันปั่นเรื่องให้วุ่นวายปั่นใจให้มันทุกข์ปั่นสมอง แล้มันปั่นใจให้เราเนี่ยวกรวนสับสนจนหาทางออกไม่ได้ตอนนี้เราเจอมันปั่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำร้ายเรามไม่มีคนข้างนอกมาทำร้ายเราไม่ได้เงินมาทำร้ายเรามไม่ได้ที่นามาทำร้ายเรามไม่ได้พ่อแม่ปู่ตาย า, ยายายพี่ชายมาทำร้ายเราแต่สัญญาตัวเนี้ยอกุลสัญญาบาปสัญญาปปัญจะสัญญ า, ญญ า, ญญากิเลสสัญญานี่แหละ สัญญาตัวนี้มันมาปั่นใจเราปรุงแต่งจิตเราให้มันกลุ่มให้มันทุกข์แล้วมันออกจากสัญญาประเภทนี้ไม่ได้สัญญาเหล่านี้มันเป็นไปกับความต้องการความอยากความต้องการความตะยานอยากไม่จบไม่สิน้นไอ้สัญญาความจาตัวนี้มันเป็นไปกับมารนะไม่ใช่แปลว่าขยันนะมันแปลว่ายกตนชูตนเปรียบเทียบตนคนอื่นได้เราทาไมไม่ได้คนอื่นดีทาไมเราไม่ดีคนอื่นสมหวังทาไมเราผิดหวัง คนอื่นได้รับยกย่องทําไมเราถูกกดทับคนอื่นได้รับได้เกียรติทําไมเราเสียเกียรติคนอื่นรู้สึกว่าเป็นลูกที่ดีแต่ทําไมเราเป็นลูกที่แย่นี่อนนี้มานะอีกทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวทิฏฐิมันไปเห็นว่าตัวเราอัตราตัวตนของเราไม่ได้ถูกตอบสนองความเห็นของเราเนี่ยมันไม่สมหวังเราเห็นว่าแม่ต้องทําให้ถูกแต่แม่มาทําอย่างนี้ย มันทำร้ายจิตใจเราเหลือเกินมาเป็นแม่เป็นลูกกันทำอย่างนี้ได้ยังไงจะไม่ล่ะแม่ไม่มีจิตสำนึกแม่ไม่มีคุณธรรมใดๆเลยทําไมแม่ทําอย่างนี้แม่ไม่ให้ความเป็นธรรมเลยเป็นแม่อย่างไรอย่างนี้รับไม่ได้จะไม่ล่ะท่านพูดมาเมื่อคืนนี้ตลอดคือได้แหละมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่เขาเรียกว่าแม่ทําได้ยังไงทุกคืน เนั้นไอกรณีแบบนี้มันไม่ใช่คนอื่นมาทำ้ายแต่มันมีสามตัวในในตัวนี้ชื่อกิเลสนะหนึ่งตัณหาอยากได้สองมานะอยากใหญ่ยกตนชูตนเปรียบเยทียบตนสามทิฏฐิใจมันแคบใจแคบ <c oughs> คือมันเห็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้ มันถึงจะสะใจเรามันถึงจะถูกใจเรามันถึงจะหายมันถึงจะหายเราจึงจะโอเคถ้าไม่อย่างนี้มันไม่โอเคเขาจะอย่างสรุปแล้วโดนอะไรตันหามานาทิถิไม่เล่นงานมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเขาเรียกกิเลสกิเลสสัญญาตรงนี้มันได้เหตุปัจจัยมันได้อาหารมามากมายแล้วมันก็หมุนอยู่ ตรงนี้แหละที่มันบอกว่าทำไมมนุษย์จึงขัดแย้งกันทำไมมนุษย์จึงเข็นค่ากันทำไมมนุษย์จึงปะทุสลายกันทำไมมนุษย์มันดีกันไม่ได้มันสามัคคีกันไม่ได้มันมันมันกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้มันห่ามันหนีไม่ได้น่ะมันเชื่อมประสานกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้ก็ไอ้กิเลสตัวนี้แหละ ม peas peas peas peas peas peas ันเล่นงานไม่ใช่เฉพาะโยมนะหลายๆคนที่มีกิเลสตัวนี้เป็นอย่างนี้กิเลสตัวนี้ไปเล่นงานคุณแม่คุณแม่ก็เป็นมันเนี่ยเล่นงานพี่ชายพี่ชายก็เป็นแบบนี้ไปเล่นงานเพื่อนเพื่อนก็เป็นอย่างนี้ไปเล่นลูกก็ลูกก็เป็นอย่างนี้สรุปแล้วสา์โลกก็ถูกกิเลสตัวเนี้ปั่นปั่นเอางั้นจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วใช่ไหมล่ะมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องว่าเราถูกบาปอกุศลตัวเนี้ยมันเล่นงาน ถ้ามนุษย์จัด ก, การไอตัวปะปันจัดสัญญากิเลสสัญญาอาักษรสัญญานี้ได้มนุษย์ก็ต้องไม่เป็นธาตุพอไม่เป็นธาตุมันเนี่ยกระบวนการความคิดก็ไม่ไปติดล่องแบบนี้ความคิดก็จะไม่แคบแคบไม่ตีบตันความคิดก็จะไม่วอกวนสับสนความคิดก็เป็นอิสระศเป็นเสรีภาพก็เข้าถึงความสูงได้อันนี้อันนี้พูดให้เห็นตัวมันก่อนทีนี้เอาแล้ว พอมองเห็นนี่ยังว่าเราเราโดนตัวนี้เล่นงานอยู่ทีนี้เมื่อเราเนี่ยเจอกิเลสตัวนี้อกุศลตัวนี้บาปตัวนี้มันเล่นงานอยู่ถามว่าถ้าเราไปให้อาหารมันโดยการทําให้มันสมอยากสมมติเอาเงินมาให้มันให้กิเลสเนี่ยนะคิดว่าอกิเลสตัวนี้ มันจะพอใจไหมคิดยอมคิดว่าการแก้ปัญหาคือทำอย่างนั้นใช่ไหมก็คือว่าแม่ลุกขึ้นมาว่าโอเคเจี๊ยบแม่ผิดโอเคเจี๊ยบแม่จะหาเงินให้ลูกให้ได้ที่ผ่านมาทั้งหมดแม่ขอโทษอย่างนี้กิเลสตัวนี้จะโอเคทันทีเลยใช่ไหม ก็อาจจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันโอ oh. คืออะเข้าใจแล้วกั น, น <c oughs> คืออยากให้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราทําแบบโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเขาก็ลอยนวลลอยนวล oh. ลอยนวล oh. <c oughs> มีความรู้สึกแบบภาษาไทยไม่รู้เรื่องว่าอะไรคืออยากให้เขาดี accountable พอคือแอคชั่นไม่จีดจำเนึกในการรับผิดชอบทำรับผิดชอบใช <laughs> ค่คือคือเขารู้สึกว่าเขาลอยนวลมากเลยเขาลอยนวลจริงจ <laughs> แล้วเขาลอยนวลมั น, นมันนานนานนะ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> คือไม่รู้จะไปทำอะไรเขาคือมันไปแล้วเงินมันศูนย์แล้วแล้วไม่คิดว่าเขาจะได้กลับมาแต่ขนาดนี้ก็ต้อไม่ความรู้สึกว่าเขาจะทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้แล้ว แล้วเขาก็ลอยนวลเข้าใจแล้วแต่เขาก็เป็นแม่ของเราก็เข้าใจแต่ว่าแม่ไม่ควรทําอย่างนี้ไม่มีใครควรทําอย่างนี้ผมรู้สึกว่าถ้าใครทําอย่างนี้ก็คนที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำคืออย่างนี้อยู่คือคิดอย่างนี้เพราะคิดอย่างนี้ฟ้าก็คืออย่างนี้เอาเนี่ยว่าอันนี้ฉันพูดเรื่องตัวกิเลสตัวดีให้ฟังเลยนะเอาแล้แต่เนี้ย อยากให้ใหเราอ่ะอันนี้ถ้าถ้ากิเลสมันคิดมันจะคิดแบบนี้มันจะคิดในลักษณะอย่างนี้มันจะปั่นใจให้ทุกข์อย่างนี้มันจะเบียดเบียนตนเองแล้วเยอะจะไปเบียดเบียนคนอื่นนะสรุปแล้วก็คือมันจะลักษณะอย่างนี้ถ้าใครยังใช้บริการของกิเลสตัวนี้อยู่มันก็จะเป็นอนไรเรียกร้องต้องการแล้วก็หวังว่าเขาจะต้องนั่นอย่างนั้นถ้ามาเขาไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเราจะต้องต่อสู้เราจะต้องพยายามทําทุกรูปแบบถ้าทําไม่ได้ ถ้าเบียียนคนอื่นไม่ได้เราจะกลับมาเบียดเบียนตัวเองทําให้คนอื่นเครียดไม่ได้เราจะทําให้ตัวเองเครียดทําคนอื่นเป็นโรคประสาทไม่ได้จะทํำตัวเองเป็นโรคประสาททาให้คนอื่นเป็นโรคจิตไม่ได้เราจะเป็นโรคจิตทําให้คนอื่นบ้าไม่ได้เราจะมาเราจะทําให้คนนี้เป็นบ้าเองหรือไม่งั้นก็บ้าทั้งคู่ไปเลยเนี่ยนะนั่นแหะคือเขาจะทําหน้าที่ของเขาแบบนี้นะที่สุดมันก็จะเรียกร้องฉันจะเรียกร้องความเป็นธรรม บางคนถึงขนาดว่าอย่าว่าจะเป็นมนุษย์เลยแม้ฉันตายไปแล้วตกนรกฉันก็จะไปร้องเรียกร้องในนรกถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะไปร้องเรียกในในในพบเดรัจฉานถ้าไปเกิดเป็นเป็ดก็จะไปเรียกร้องในพความเป็นเป็ดถ้าไปเกิดเป็นอสุรกายก็จะไปเรียกร้องในความเป็นอสุรกายนั่นแหละถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่เรื่อยๆไปจนกว่าจะได้ความยุติธรรมฉันถึงจะหยุดการเรียกร้องขยายยังอันนี้คือตัญหาเป็นอย่างนี้ ดีเลเป็นแบบนี้มันจะเรียกร้องอยู่ล่ำไป <Okay. S 1> เพื่ออะไรเพื่อต้องการตอบสนองเอาสิ่งทั้งหลายมาตอบสนองปนเปลอนอัตตาตัวตนของตนเองตัณหามันต้องการอะไรตัณหาความทยานอยากแล้วก็ต้องการอะไรเขาต้องการสุขเวทนาเขาต้องการสุขเวทนาเอาสุขเวทนามาตอบสนองอัตตาตัวตนเพั้นตัณหาเขามี ตัณหาเนี่ยก็มีอัตตาตัวตนเป็นศูนย์กลางมีความไม่รู้อยู่เบื้องหลังเรียกโมหะนเวธนาเป็นเป้าหมายเป็นจุดประสงค์เป็นเป้าประสงค์ <c oughs> คนอื่นไม่เกี่ยวไว้ฉันได้พอนี่คือตัณหาเร่อมองเห็นนี่ยังมันเป็นแบบนี้เราจะใช้บริการมันก็ได้มันก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> อย่างที่ยมใช้อยู่ตลอดเวลาทั้งชีวิตที่ผ่านมานี่แหละจะใช้ต่อไปก็ได้ไม่เป็นไร ถ้าไม่เกี่ยวพระให้ข้อมูลอย่างเดียวเดี๋ยวพระจะบอกให้รู้ว่าถ้าใช้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนั้นทีได้บอกไว้แล้วถ้าโยมเจีย็บยังใช้งี้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเขาก็จะเบียดเบียนตัวเราเองแล้วหนักข้างหนักข้าวเนี่ย ม, มันจะมีสองประการนะมันอย่างว่าหนึ่งอยากได้ก็คืออยากได้ก็คืออยากต้องการสิ่งที่ตนเองปรารถนามาปนเปือมาบมลบมเลออัตราตัวตนของตนเองเพื่อให้ตนเอ ง, เองได้สุขเวทนา ทั้งทั้ไอ้สุขเวทนามันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลามันจะขวายคว้าขวายคว้าตลอดยังไงก็ได้ขอให้ตัวเองได้สุขตามที่ต้องปกการนั้นมาปนเปื้ออัดปาตัวตนให้ได้นี่มีประการหนึ่งถ้าเป็นมานะก็อยากอยากใหญ่อยากให้ตนเองสมปรารถนาตนเองต้องได้รับเกียรติตัวเองไปเสียเกียรติไม่ได้ถ้าทิฐถิกระจายแคบคนอื่นได้ฉันต้องได้มันต้องเท่าๆ่ากันสิน มันเป็นโรคเหมือนกันนะไมันเป็นอย่างนั้นไอ้ทาอย่างนี้มันถึงจะถูกเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก่อนนะเอออันเนี้ยมันก็ต้องรู้ว่าเออเขาเป็นในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตัวสภาพของตัณหามานะที่ถีมันเป็นอในลักษณะอย่างนี้โดยเฉพาะทีนี้ตัณหาเนี่ยมันอยากได้ใช่ไหมเขาเลยกลับมาตัณหาทีนี้ถ้าและถ้ามันได้สุขเขเวทนามา แล้วหรือได้สิ่งที่ตนเองมาได้แล้วก็มีความต้องการอยากให้ไอความสุขเนี้ยมันถาวรมันมั่นคงมันมันไม่เปลี่ยนแปลงด้วยทั้งๆ้ที่ความจริงเนี่ยของโลกและชีวิตมันจะเป็นยังไงฉันไม่สนแต่ฉันต้องการให้มันมั่นคงถาวรสุขของฉันต้องถาวรมั่นคงนี่มันมันนี่เขาเรียกว่าเป็นความอยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนทีนี้ไออยากอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเนี่ย กรณีที่ทำให้เราได้ทุกข์อย่างนี้เราไม่ปรารถนาเราอยากให้ทุกข์เหล่านี้มันหมดไปทุกวันนี้จริงๆแล้วนะ่ะเยี่ยวเจ้ก็ไม่ชอบไม่ชอบสภาพตนเองแบบนี้อ ย, อยากจะพ้นอยากจะออกจากมันอยากจะหนีจากมันไม่อยากจะอยู่ในสภาพอย่างนี้อีกแล้ว<ม>อยากอย่างนี้ก็เป็นตัญหายอย่างหนึ่ง<ม>เห็นไหมเราอยากจะพ้นแต่ก็พ้นมันไม่ได้เพราะอะไร เพราะมันไม่รู้วิธีการ <c oughs> สรุปแล้วตัณหาเนี่ยอยากได้ใช่อยากได้เอามาตอบสนองบวมลมบวมเลออัตราตัวตนพกคิดว่าเมื่อได้มาแล้วตนเองจะสุขตนเองจะสบายอยากอีกอย่างหนึ่งอยากให้มันมั่นคงให้มันถาวรไม่อยากมันเปลี่ยนแปลงยพยายามรัดพยายามกอดพยายามฟัดมันไว พยายามทาทุกวิธีทางให้มันอยู่ไม่ให้มันเปลี่ยนทุกอย่างเป็นแบบนี้แต่มันไม่เคยได้เลยผิดหวังมาตลอดอยากจะพ้นจากสภาพที่มันไม่น่าชอบใจไม่น่าเพลิดเพลินเหลือเกินแต่ก็ไม่เคยออกจากมันได้ทั้งหมดเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังมันมีความมืดบอดคือความไม่รู้อยู่เบื้องหลัง มันมีอัตราตัวตนเป็นศูนย์กลางมันมีอะไรเป็นเป้าประสงค์มีสุขเวทานาใช่ไหมมันเป็นของมันอย่างนี้ไหมแต่เคยสมหวังไหมไม่เคยเลยอะไรแต่เนี้ยแล้วมันก็จะคิดไปเรื่อยที่เราเคยรู้อะไรมาเคยจําอะไรมาเคยเห็นคนอื่นยิ่งเห็นคนอื่นเห็นแม่คนอื่นเขา ไม่ทําแบบนี้ยิ่งทุกข์ใจเห็นเอสภาพสังคมที่เขาตัดสินคดีความกันเขาเสมอภาพปินวินก็ยิ่งทุกใจเราก็เลยมาสำทับความเห็นของเราอีกว่าแม่ทําให้ถูกเด็ดขาดไปถามใครใครก็รับรองอเนี่ยแม่เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเรื่อยเลยแล้วยังมาหาพระ พ้าก็บอกว่าให้ค ko ิดอีกมุมหนึ่งไปไปมาพ้าก็ทำไม่ถูกเพราะว่าพ้ไม่ได้พูดเข้าข้างปัญหาฉันเลยเอเพราะความต้องการของฉันมันอีกอย่างความปรารถนาฉันอีกอย่างแต่พ้าพูดตรงกันข้ามเลยเอาไปฟังแล้วรอบที่สองก็ไม่รู้เรื่องก็ฟังแล้วมันมันมมันมันทำไม่ได้ ใช่ไหมเอาแต่นี้พักตรงนี้ไว้ก่อนพักมุมนี้ไว้ก่อนว่าจริงเนี่ยนี้นี้ถ้าคิดวนด้วยตัณหามันจะคิดได้แค่นี้เทียบเคียงก็เทียบเคียงที่จะให้เข้าข้างตัวเองแบบนี้เมื่อวานนี้ฉันถึงบอกว่าถามว่าหนึ่งต้องการนาใช่ไหมต้องการเงินใช่ไหมมาถามตอนนี้ว่า ถามเป็นจริง ๆ, ๆเลยเอาเรื่องอื่นออกก่อนเนละตอนนี้เราเดือดร้อนเรื่องเงินไหมนย่เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนแต่แต่แต่ถามว่าไม่ไม่เดื อ, รอดร้อนก่อนอยู่เพิ่งมีแต่ได้ไหมโอเคจะละท่อ่ไม่<อ>ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้ชีวิตเราอยู่ได้สะดวกัหม อยู่ได้ไปเรื่อยๆไม่ได้ถึงกับสะดวกแต่ก็อยู่ได้อยู่ได้ไอยู่ได้เพราะว่าชีวิตเรามีใช่ไหมพอมีออแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อวานนี้ถามว่าชีวิตเนี่ย<ม>ชีวิตที่เราได้มาเนี่ยจากดี a ออของคุณแม่มคุณพ่อนถามว่ามีค่าเท่าไหร่ ตีเป็นเงินมีค่าเป็นค่ามีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่มันประเมินค่าไม่ได้ใช่ไหมเ<ม>งนินที่แม่เอาไปให้คนอื่นยืมเนะี่ยเงินจํานวนนั้นมีค่าน้อยกว่าชีวิตเราหรือมากกว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่า น้อยกว่าแม่ให้ชีวิตแล้วไม่พอแต่อยากให้แม่ได้ให้สิ่งที่นอกจากชีวิตด้วยใช่ไหมอย่าเพิ่งไปเทียบกับพี่ชายอย่าเพิ่งไปเทียบอย่าเพิ่งไปเทียบก่อนเดี๋ยวจะไปเทียบแล้วมันจะเป็นเรื่องถามคุยเอาเฉพาะตัวเราก่อนเราอยากให้แม่ให้ให้อีก อย่าให้แม่ให้เงินนั้นไหมไม่ใช่หมายความว่านอกจากชีวิตแล้วเราอยากจะให้แม่ให้สิ่งที่ปลนเปลือชีวิตอีกใช่ไหมไม่จะเป็นไ ม, ไม่ไม่เคยขอไม่จําเป็นอ๋อไม่จําเป็น<ม>ทีนี้ประเด็นก<ต>็<ต>คือว่าเขาเขาเขามาสัญญาปุ๊บเราก็ไป<อ>ว่าจะให้เราก็เราก็<อ>ากในชีวิตก็ยอมยอมเคยพูดว่าจะทําอะไรแล้วไม่ได้ทำมีเยอะไหม เยอะไห ม, มเยอะมันเป็นความผิดไหมยอมลองไล่ลําดับโยมเกิดมาจนขนาดนี้ที่พูดแล้วมันทําไม่ได้มีเยอะไหม ม, มีเยอะเลยเยอะมามใช่ยมรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบถ้าไปสัญญากับคนอื่นรับผิดชอบเต็มที่ได้ใจไม่ไม่ต้องไปสัญญากับใครเราที่เคยพูดไว้กับตัวเองก็ได้ต้องกลับไปรับผิดชอบไหม เยอะมหมีเยอะไหมที่พูดแล้วมันทำไม่ได้เลยเยอะมากใช่ไหมถือว่าเป็นความผิดมากไหมการกระทำของเราถือเป็นความผิดมากเลยกับตัวเองไม่เพราะเพราะว่าสามารถจะรับได้แต่ถ้า ไปสัญญากับอะไรกับคนอื่นไว้จะรับผิดชอบแล้วถ้าทำไม่ได้จะรับผิดชอบเป็นี่รับผิดชอบด้วยการทำอะไรทำอะไรก็แล้วแต่ที่ที่จะแสดงความรับผิดชอบอันนี้คือโยมใช่ไหมแต่ไม่ใช่คนอื่นใช่ไหมแล้วโยมให้คนทั้งโลกเป็นเหมือนโยมได้ไหมอยากได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าที่คลิปนับถือก็ยังบรรดาลอะไรไม่ได้เลย ใช่ไหมเพราะว่ามนมุษย์เรานที่ได้พูดไปได้ได้ลั่นวาจาไปเนี่ยแล้วทำไม่ได้หนึ่งจริงวาจาจริงการกระทำจริงใจคนที่ทำได้สามจริงเนี่ยถึงจะเป็นสัจจะบา ร, รมีใช่ไหมหมายถึงทำดีด้วยนะแต่ คนบางคนเนี่ยจริงวาจาแต่การกระทําไม่จริงกันหรือบางคนจริงวาจาจริงการกระทําแต่ไม่จริงใจกันใช่ไหมครับแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะจริงใจแต่การกระทํากับวาจาเนี่ยเขายังทําไม่ได้ก็มีอะไระไรายละเอียดมันเยอะฉะนั้นตรงนี้ที่ฉันพยายามลําดับดูเนี่ยเราจะได้รู้ว่า สิ่งที่เราเอาเรื่องอะไรมาคิดบ่อยๆปักใจบ่อยๆแล้วก็พุ่งประเด็นไปนั้นบ่อยๆเรื่องนั้นดูสําคัญกับตัวเราหลือเกิ่มันสําคัญมันเป็นสําคัญก็เพราะว่าเรื่องนั้นเราเอามาคิดบ่อ ย, อยแต่ถ้าเรามองถึงตัวเราที่เราเคยพูดแล้วทำไม่ได้เราก็จะให้อภัยให้ อ, อภัยเพราะตัวเรา มันไม่เหมือนเราบอกว่าฉันเป็นคนพูดจริงทำจริงทำเลยแต่พอจริงๆเข้าไปเราจะมีวิธีการให้อภัยตัวเองแบบแยกยนต์แยกยนต์นั่นคือมนุษย์ทีนี้เอาแล้วถ้าเรามองมองอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้เห็นว่าโอ้เมื่อวานฉันใช้คำว่ายอมต้องต้องต้องมี ต้องพัฒนาไอตัวข้อมูลความรู้ขึ้นมาภาษาภาคเขาเรียกปัญญาปัญญาคือรู้ชัดรู้ลึกแล้วก็รู้รอบรู้โดยประการต่างๆรู้อย่างแท้จริงฉันก็เลยชวนให้ยมกลับไปย้อนเอากระแสชีวิตของคุณแม่มาคิดโดยอย่าคิดด้วยตัณหามนาันะที่ถีอย่างเมื่อกี้ถ้าตราบใดยังคิดอยู่นั้นต้องคัดบอกว่าไม่คิดแบบนี้ ถ้าคิดแบบนี้มันก็ลงล่องเดิมเราคิดมาตั้งนานแล้วมันออกได้ที่ไหนแล้วมันก็คำตอบก็คืออย่างเดิมนั่นแหละแม่ต้องคืนมาแม่ต้องรับผิดชอบแล้วเยอะแยะก็อย่างนั้นแหละอย่างที่เรานอนไม่หลับนั่นมอไระนะกรณีแบบนี้งไงถึงเราจะซื้อเสื้อผ้ามาร้อยตัวมาให้คุณแม่แต่ในใจมันก็คือต้องการตรงนี้อยู่ดีแม่ก็ทุกข์เห็นหน้าเราก็ทุกข์ คิดถึงเราก็ทุกไม่ทุกได้ยังไงก็มันผิดพลาดไปแล้วอย่างที่บอกไนงะยอมจะไปคั้นคาดคันเอาคนที่มีความเห็นว่าตนเองเก่งตนเองดีตนเองมีความสามารถตนเองไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเนี่ยยอมจะไปคาดคันเนี่ยเพื่อจะมา ยกประเด็นนี้ว่าเขาไม่ดีเขาผิดพลาดเขาใช้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยจะต้องการตอกย้ําให้แม่เจ็บปวดมากกว่านี้ใช่ไหมแค่นี้เธอก็เจ็บปวดไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วยองยกประเด็นนี้มาพูดสิยิ่งเธอหามาให้ไม่ได้เพราะไม่มีพลังเหมือนอดีตแล้ว แล้วความกดดันความเจ็บปวดไปอยู่กับใครไปอยู่กับเธอมันผิดพลาดแล้วส่วนหนึ่งก็ให้ลูกไปแล้วไปเอากลับคืนได้ไหมไม่ได้ไปหยิบเยอะเงินต่างๆมาให้มันเหมือนเดิมให้มันมีชื่อเสียงให้มีศักยภาพมีพลังอย่างเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วมันเป็นอนิจจังไปหมดแล้วมันดับแล้วมันหมดแล้วสถานการณ์นั้นมันหมดไปแล้วตอนนี้เธอเป็นคนแก่ๆคนหนึ่งเท่านั้นนะ คนแก่คนหนึ่งที่ไม่มี power นะสภาพคนแก่คนหนึ่งที่ที่ไม่สามารถที่จะสร้างองค์ประกอบอะไรต่างๆได้ที่จะสามารถทำอะไรได้อย่างที่ผ่านมาแล้วมันก็เหลือแต่ว่าถ้าเราผลักดันตรงนี้เยอะออกมานะถ้าเราคิดภายในตัวเองมันก็กดดันแค่ตัวเองเบียดเบียนแค่ตัวเองะสะท้อนสะไลแค่ตัวเองแต่ถ้าพูดออกมาทาออกมา แล้วให้เธอได้รู้ได้เห็นมันจะกลายเป็นกดดันสองถ้ารู้หลายคนกดดันสามกดดันสี่นะเขาใเขาก็เป็นตราบาปกับเธอซึ่งเป็นตราบาปอยู่แล้วยิ่ยงไปตอกย้ำเธอก็จะจำเรื่องนี้ตลอดแล้วในที่สุดจริงๆถ้าเธอเป็นคนใกล้ใกล้ตายเธอคิดเรื่องนี้เมื่อไหร่เธอก็ตกนรกเธอก็เจ็บปวดตกนรกใช่ไหมล่ะ ยอมต้องการอยากจะให้เรื่องนี้มันไปถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมผักดานเอาแล้วเธอเป็นแม่ฉันเนี่ยเธอทําไม่ถูกฉันก็จะหยิบเรื่องเนี้ยไปกระทุ้งเธออย่าได้ดีเลยไปอัตภาพหน้าให้เธอจำเข้าไว้ถ้าเธอรับอารมณ์แบบนี้เธอจะได้ไปเจ็บปวดในสังสารวัฏฉันจะต้องตามตามเอาเงินของฉันตามเอาทรัพย์ของฉันทุกอัตภาพไปชาติหน้าเธอจะต้องเป็นที่ฆ่าฉันเอาไหม โขกเลยไหมฉันจะอนสอนวิธีการผูกโขกอาฆาตจะให้เธอไปเกิดมาเป็นวัวเป็นควายรับใช้เราก็ได้ไปเป็นขี้ข่าเรารับใช้เราก็ได้จะบอกวิธีเอาไหมล่ะทําได้ด้วยเอาไห ม, ไมเอ า, เอาจริงเหรอเราเราอยากได้คืนไงใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าอยากจะได้คืนไงฉันจะบอกวิธีอยากจะบอกวิธีการที่จะได้คืนแต่อาจจะไม่ได้อาจจะภาพนี้เพราะเธอแก่เกินไปแต่มีวิธี มีวิธีด้วยมีวิธีว่าต่อไปเนี่ยแม่เกิดในอัตภาพใดก็จะต้องมาเป็นขี้ข่าเรารับใช้เราถ้ารับใช้เงินนี้ไม่หมดเธอก็ยังไม่สามารถจะตายอยากเราได้รับใช้เราจนหมดเอาไหมละ่ะอยากได้แบบนี้ไหมะจะบอกวิธีเลยเนะ่เนี่ยยังไงยังไงยังติดใจเราจะาจะได้ให้มันเราจะได้มีการผูกกันให้มันเต็มที่ไปเลยไม่อยากผูกอย่างนี้คือผูก เนี่ยวิธีแบบที่ทำทั้งหมดเนี่ยคือผูกแล้วมันเหมือนว่ยถึงเราไม่อยากแต่ก็ผูกไปเรียบร้อยแล้วตกลงจะเอาไม่วิธีนี้ได้บอกไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่อยากผูกอะไรไม่อยากมีอะไรกันอีกแล้วไม่อยากมีอะไรแล้วยังอยากต้องการเงินั้ยอยากจะต้องหาจจะบอกวิธีแต่อาจจะไม่ได้ชาตินี้ชาติต่อไปได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉันอยากได้อยากได้ชาตินี้ชาติหน้าไม่เอาเชาตินี้ ไม่เอาละไม่เดี๋ยวชาตินี้จะหาเดี๋ยวหาวิธีให้ <c oughs> เอาไหมยังไงท่าน <c oughs> เดี๋ยวฉันต้องถ้าถ้าชาตินี้เดี๋ยวฉันต้องหาโอกาสคุยกับโยมที่เป็นโยมแม่เนี่ยแล้ว <c oughs> ฉันมีวิธีจะให้เธอหาเงินมามาม า, มาใช้โยมด้วย <c oughs> เอาไหม <c oughs> แต่ฉันอยากเด ยอมกลับไปก็แล้วแต่ฉันไหนจะติดต่อยมแหวนที่ยมบีไปคุยกับแม่อยอมไม่ต้องไม่แล้วฉันจะบอกวิธีให้เธอหาทรัพย์แล้วเอาหาให้ยม <c oughs> ตกลงอยากจะได้คืนไหอยากได้ไหมอันนี้พูดจริงนะฉันพูดจริงนลเนี่ย <c oughs> เมื่อกี้บอกว่าชาติหน้าไม่เอาใช่ไหม <c oughs> จะเอา <c oughs> ชาติหน้า <c oughs> ไม่เอาแน่ไม่อยากนะ <c oughs> ชาตินี้ ยังจะเอาไหมมันมีวิธีได้ท่านทำไงเพรอยากรู้วิธีอยากรู้ต้องรู้วิธีกันโอ้โหนได้ ย, ยมไม่ต้องรู้วิธีได้ไหมแต่ให้ได้ก็แล้วกันให้แม่ให้อะอยากได้ไหม เดี๋ยวก่อนจะบอกวิธีนี้ฉันบอกอลไจริงๆเนี่ยยอมเชื่ออานุภาพของปัญญาไหมปัญญาเนี่ยประเสริฐกว่าทรัพย์ใช่ไหมปัญญาประเสริฐกว่าท ร, รัพ ย, ย์ปัญญาประเสริฐกว่าญาติเนียปัญญาประเสริฐกว่าอวัยวะปัญญาประเสริฐกว่าชีวิตใช่ไหมฉะนั้นคนมีปัญญา หาทรัพย์ได้คนมีปัญญาหาญาติได้คนมีปัญญาหาววัยวะดีๆได้คนมีปัญญาได้คุณภาพชีวิตที่ดีได้ใช่ไหมที่ฉันพูดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของชีวิตนะไอ้ปัญหาของชีวิตมันคือกิเลสตัณหาใช่ไหมล่ะมันคือความทุกข์เนี่ย ไอ้เขตของทุกเนึ่นคือปัญหาแต่ปัญญาเป็นทางออกมันเป็นทางรอดเป็นเป็นหนึ่งเดียวที่จะนำพากระแสชีวิตให้รอดปลอดภัยได้ฉะนั้นปัญญาจึงสูงสุดในในบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับปัญญาพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าปัญญุตราสาเพเธรรมาธรรมทั้งหลายมีปัญญาสูงสุดมีปัญญาเป็นยอด เหตุผลที่มนุษย์ติดตันกันอยู่ทกกันอยู่เพราะขาดตัวนี้แหละไอ้ขาดปัญญานี่แหละจะนําพาชีวิตให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่เลิศได้มนุษย์ที่ยังมาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องทรัพย์หมกมุ่นอยู่กับเรื่องยศหมกมุ่นอยู่กับเรื่องชื่อเสียงทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะมนุษย์เนี่ยขาดปัญญาระดับแบบนี้แต่ถูกตั้หาถูกกิเลสผลักดัน ที่สุดจริงๆก็ขัดแย้งกันจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์บอกว่าเราเนี่ยอยากจะสามัคคีกันรองดองกันสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันเกื้อหนุนกันใช่ไหมผู้จากันดีทั้งหลายแต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสามัคคีกันได้จริงรองดองกันได้จริงเชื่อมประสานกันได้จริงเพื่ออาทรกันได้จริงนีอะไร เป็นตัวผักดันทำให้มนุษย์ประสบปัญหาตรงนี้ใหญ่ๆเลยสองตัวตหนึ่งตันีสองฤทิสยาตันนีคือตันีทินตันีที่อยู่ตะนีทินตันีที่อยู่ตันีอาวาตะตันหวงที่ของเรา ห่วงมันควรเป็นของเราห่วงเนี่ยห่วงที่ห่วงถิ่นห่วงที่อยู่ห่วงห่วงบ้านห่วงที่ห่วงประเทศห่วงอะไรก็ว่ากันในห่วงโลกเลยนี่ตนีแลในขณะเดียวกันอีกอย่างหนึ่งก็คือตะหนีพวกพ้องเล่นพรรคเล่นพวกตะหนีพ่อเราแม่เราพี่เราตัวเราแล้วก็ตะหนีผลประโยชน์ ใช่ไหมเนี่ยควรเป็นของเราจะไปเป็นของคนอื่นได้ยังไงควรให้เราไปให้คนอื่นได้ยังไงเตนณีมันยอมไม่ได้ เ, เพราะว่านี่แหละไอ้ตัวเตหณีนี่แหละในใจเรานี่แหละแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะนอกจากตตหนีแล้วเนี่ยแล้วมันเห็นคนอื่นได้แล้วมันทนไม่ได้ภาษ า, ษาพกากลยกฤิศยาเห็นเห็นคนนั้นได้แล้วทนไม่ได้ถ้าไม่ได้มันต้องไม่ได้ทั้งคู่ ใช่ไหมใช่มันต้องไม่ได้ทั้งคู่สิไอคนนั้นได้เราไม่ได้เงี้ยมันทนไม่ไหวมันเดือดร้อนมันทุกข์มันทรมานใช่ไหมนี่ยังไงภาษาพากดริษยามันตะกูดเดียวกับโทสะกหุดเดียดโกรธเพลียี่ไอตัวนี้ไงที่มันเข้าไปดีกันก็ไม่ได้ เชื่อมปสานกันไม่ได้รักกันจริงๆแบบกมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้มันมีตัวนี้เป็นตัวขวางอยู่มันเป็นตัวขวางอยู่มันไม่สามารถที่จะเข้าไปคือถ้าดึงฤทิสยาและความนหนีออกเสียเนี่ยมนุษย์ก็จะรักกันได้อย่างแท้จริงพ่อแม่ก็ไม่ต้องมาขัดแย้งกันลูก แม่ให้คนหนึ่งยีสิบล้านอีกคนก็ไม่เป็นไรยี่สิบล้อีกคนให้ศูนย์ลก็ทุกคนก็ยังก็ไม่เป็นไรมันเรายกตัวอย่างยมบีองเงีคนอื่นก็ได้หุ้นกันหมดยมบีไม่ได้ทําไมยมบีไม่ดิ้นน่ะ <c oughs> ด, นดิ้นสิดิ้นปะล้องสิ <c oughs> ลูกเนี่ยหลานเนี่ย <c oughs> มีสิทธิ์เนี่ยทําไมเขาไม่ให้ <c oughs> เป็นธรรมก็บเคอร์ไหทําได้ยัง อีกเยอะกรณีแบบนี้เพราะอะไรถึงถึงเป็นแบบนี้เพราะความไม่โลภเด่นบางทีไม่ต้องรู้ธรรมะนะแต่อัจิยาสายที่สั่งสมมาในอดีตนั่นอะอะโลภคือความไม่โลภนี่เด่นกล้าให้กล้าสลากกล้าแบ่งปันมันติดตัวมาแล้วความไม่โกรธก็เด่นใช่ไหม พอความไม่โกรธเด่นมันก็เลยลิศยาแต่นีมันก็ไม่มาด้วยพอมันไม่มาก็เลยอ๋อจะจิตใจสบายสบายคนส่วนมากไม่เป็นอย่างนี้ก็เขาไม่ได้สั่งสมอัทยาศัยมาแบบนี้อย่าเพิ่งไปหาพวก่อนจริงจริงเคยไปหาพวกร้อไม่ทำไม่ได้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช่เข้าใจเข้าเห็นเขเห็นบีแล้วก็อย่างนี้พอรู้ใช่ไหม ตรงนี้ต้องการให้ชีย่ยเห็นว่าเห็นไหมนอกจากอันนี้นี้นอกจากไม่ไม่ได้แล้วดูที่ยังมาสร้างที่อยู่ถวายพระอีกม <c oughs> ห็นไหมอ น, นอกจากที่ยังไม่ได้ยังให้อีกทําไมเราไม่ทมําบ้างเน่ยใช่ไหมมันจะได้มีความสุขอะอยากยังไม่ถึงขั้าหนึ่งอยากอยากมากก็เห็น พอเห็นดีแล้วแล้วรู้รู้ว่าเขาอยู่กับเขาเขาแล้วสบายใจแล้วแล้วอยากจะเป็นยัางไงาแต่ยังไปไม่ถึงมันไม่ใช่อยู่แค่อยากใช่ไหมแต่มันอยู่ที่ว่าทำเขาทำเลย<ฮ>เขาไม่เรียกร้องเขาไม่เนีมาปรุงแต่งเลยกเขาลงมือทำ<ะ>ตามอัธ ภ, ภาพที่ตัเองจะทำแล้วขวนขวายที่จะทำ<ฮ>พอรู้ว่าชีวิตนี้น้อยนะ รามีโอกาสหายใจในโลกนี้อีกไม่นานทีนี้เอาต่อเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นนะมันจะมันจะมันจะนันที่ต้องการชี้เห็นว่า <c oughs> ตรงเนี้ยตัวถ้าปัญญามันเกิดขึ้นมาถ้าพัฒนาปัญญาขึ้นมาเราก็รู้ทีนี้ปัญญาสำคัญมากแต่ปัญญามันจะเกิดขึ้นได้จากการฟัง ให้ได้ข้อมูลจริงๆเมื่อฟังแล้วเนี่ยมันจะได้มาสกัดสกัดอะไรสกัดความต้องการพอปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไอความคิดความต้องการอย่างเดิมๆมันจะได้ไม่เกิดทีนี้พอพัฒนาตัวปัญญาขึ้นมาก็กลับไปพิจารณาอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่พยายามบอกว่าถ้าเราปราถนา อยากจะให้ให้แม่ชดใช้เราในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพนี้เราก็ตั้งจิตปราถนาว่าทรัพย์ก้อนนี้ที่เป็นของเราทั้งที่เป็นเงินและเป็นที่มันต้องเป็นของเราแม้จะอยู่ในอัตภาพใดหนะ้าที่ใดใครเอาของเราไปคนคนนั้นต้องเอามาคืนเรา ยอมทำความดีทุกครั้งยอมก็ตั้งจิตอธิษฐานยมแม่ก็จะอยู่ไม่ได้ไปเกิดในอัตภาพใดก็จะมาวนเกิดใกล้ๆยอมแล้วก็ต้องมาใช้อยู่ยอมเ ร, เรียกร้องความเป็นธรรมไหมเรียกเลยและยอมก็จะได้จริงๆเพราะมันเป็นสิทธิที่เราจะได้ไง ตั้ง อ, อธิษฐานจิตให้ทานรักษาศีลนะโยมนะตั้งจิตเลยอธิษฐานว่าทรัพย์ส่วนนี้ฉันไม่ให้ฉันไม่สลักฉันไม่ปล่อยวางฉันมีสิทธิ์เพราะฉันคิดมานานแล้วโยมตั้งเลยนะทำบุญอธิษฐานแม่จะอยู่ไม่ได้เดือดร้อนเดี๋ยวจะต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาใช้โยมจนไะด้ ยกเว้นจะตายก่อนถ้าตายไปแล้วก็ต้องต้องมาเกิดเป็นอะไรก็ได้ที่จะต้องเอามาให้โยมแล้วเห็นหน้าโยมเนี่ยจะทนไม่ได้เพราะด้วยกำลังกําลังที่โยมไม่ไ ม, ไม่ไม่สลักไม่ปล่อยด้วยกําลังกุศลของโยมผูกไว้จะต้องเอามาให้เอามาแค้นให้ต่อยโยมไปขอภัยเนะต่อยโยมไปเกิดเป็นสุนัขเขาก็ต้องทั่งมูลนิิส่วนเนี้ย ตั้งไว้ให้ดูแลสุนัขตัวนี้ใครเอาของโยมไปไม่ได้โยมผูกเลยนี่วิธีการเริ่มผูกตอนนี้ไมมพาชจะนาใหไา้ไม่เอ า, เอาไม่เอาเลไม่ได้หบบนั้นไม่เพราะเรียกร้องความเป็นธรรมนี่ไงยุติธรรมมันยุติธรรมตามธรรมะของมันจริงๆทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างเงี้ยจริงๆแต่ถ้า ไม่อยากให้แม่ต้องมาตามชดใช้เราในอัตภาพนี้หรืออัตภาพไหนต้องต้องกล้าที่จะสลัแล้วหาวิธีการบอกแม่สละบ อ, อะไรสละสัสละสิ่งของต้องบอกด้ต้องสละได้จริงๆ จ, จ, จากข้างในก่อนสละแล้วก็บอกว่าแม่ พูดด้วยสัตว์จริงนะไม่ไม่ต้องการตรงนี้จริงๆเลยหนูรู้มันเป็นส่วนของหนูที่พ่อบอกไว้เลยก็แล้วแต่แต่หนูมีปรงใจได้แล้วหนูยกให้คุณแม่บูชาคุณของคุณแม่ถึงแม้จะมาทีหลังแต่ยกให้คุณแม่จะเอาไปให้ใครเอาไปทำอะไรอย่าได้เป็นโทษแก่คุณแม่เลยขอคุณแม่สบายใจเถอะ หนูชื่นใจจริงๆที่เกิดมาเป็นลกูกได้ให้ได้ให้สมบัติแก่แม่ได้ดูแลแม่ทำให้แม่ไม่ต้องทุกข์ในเรื่องนี้อีกต่อไปหนูรู้ว่าแม่ทุกข์เรื่องนี้วันใดวันหนึ่งยอมปรงภาระในใจได้อย่างนี้จริงๆแล้วอดโทษตรงนี้ได้จริงๆเนะี่ยมันถึงจะคัดได้เขาใจวป่าถ้ายังไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็ผูกทุกวันนี่ยอมยังไม่สละเลย เมื่อคืนยังกลับไปคิดแทบตายไปวตอยู่นั่นมันเป็นอย่างนี้แหละสังสารวัฏเป็นอย่างนี้โยมมันเคยทํากันมาหลายอัตภาพแล้วมันก็ทํากันมาอยู่หมุนกันไปหมุนกันมาอยู่โยมก็เคยทําแม่อย่างนี้แม่ก็มาทำโยมอย่างนี้มันสลับกันอยู่อย่างนี้แหละผูกกันต่อสนุกไหมสังสารวัฏสนุกหรือไม่สนุกนั้นผูกกันไปแบบนี้แหละเข้าใจไหม มันผูกแบบนี้ไปเรื่อยๆ เ, เราเอาของเขามาเดี๋ยวเขาก็เอาของเราไปเดี๋ยวเราก็ไปตามออกมาเดี๋ยวเขาก็ตามออกไปวนกันอยู่อย่างเนี้ยเข้าใจยังเข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมถ้าเราโยมมีปัญญาเห็นความจริงตรงนี้โยมจะเข้าใจกระแสชีวิตมันเป็นแบบนี้เริ่มมองเห็นหรือยัง นั้นต่อได้ไม่ยากถ้าสําหรับบุคคลที่ต้องการสร้างเหตุปัจจัยยืดยื้อในสังสารวัฏทาไปดูแล้วมันจะตามติดกันอย่างนี้ตลอดผูกกันอย่างนี้ตลอดไปเป็นอะไรก็ได้ก็ไปผูกกันอย่างนี้ตามชดใช้กันไปแต่จะชดใช้แบบไหนวิธีไหนแบบเนี้ยแบบเจ็บปวดอย่างที่ยมโดนนี่แหละถ้ายอมรู้อดีตปุ๊บยอมเคยไปทําเข้ามา ไม่ใช่น้อยยองก็ทําให้เขาเจ็บปวดมาทําวิธีการลักษณะนี้มายอมก็มาทําต่อแล้วก็ถูกทําต่อกันอยู่อย่างนี้ก็ทนจะให้มันหยุดก็อย่างก็อย่างที่บอกเนาะมันต้องคุยกันแล้วก็บอกแล้วก็ต้องสละจริงๆนะบอกพอทีแล้วพอแบบชื่นใจนะพอแบบปลงใจได้จริงๆนะถ้ายังปลงใจไม่ได้อย่าไปพูดนะมันเป็นแค่สํานวนแค่นั้นเอง แต่ถ้าปลงได้จริงๆจิตใจมันสละจริงๆมันพอแล้วไม่ต้องการยืดเยื้อกับความทุกข์ความเดือดร้อนอีกแล้วเราเรารักแม่เราไม่อยากให้แม่ต้องเดือดร้อนหรือต้องเจ็บปวดในสังสารวัตรรักตัวเราเองเราไม่อยากผูกพันในเรื่องนี้ต่อไปมันไม่ใช่เรื่องว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมใดๆหรอกแต่ที่มันเรื่องของการผูกอาฆาตกันแล้วแล้วก็บอกถ้าบอกอย่างนี้ แม่เขาถึงจะรู้สึกว่าเออเนี่ยแต่ถ้าโยมบอกแล้วแม่เขาไม่โอเคก็เรื่องของแม่โยมโอเคหรือย่างแค่นั้นประเด็นคืออยู่ตรงนี้แล้วหาโอกาสเพื่อจะปลอบโยนเธออย่างไงเพื่อเธอจะได้ไม่มีนิมิตไม่ดีถ้าเธอใกล้ตายขอไัยแล้วเธอคิดถึงตรงนี้เธอจะสุขหรือทุกข์เธอก็ทุกข์แล้วความทุกข์เกิดขึ้นเธอก็เดือดร้อน ในสังสารวัฏถ้าชี้เห็นนะถ้าเขาจะมาตามทวงหนี้นะอย่างยกตัวอย่างเอา้าเจ้าแปร ก, กุ้วยนี่เขามาต้องดูแลเขาไหมต้องหมดเงินเขาเท่าไหร่นี่ไงเขาเข้ามาตามทวงหนี้เขาพอหมดเมื่อไหร่เขาก็ตายหนี้สังสารวัดเป็นแบบนี้ต้องให้เขาให้อาหารเขาต้องดูแลเขาต้องประครับประมงเขา สุนัขทั้งโลกทำไมไม่ดูทำไมดูแค่ตัวนี้เริ่มเห็นหนี่ยังเนี่ยสังสารวัตรมันเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> อยากเกิอดอีกไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ว่าไง <c oughs> ขออนุญาตถาม น, นคะคร <c oughs> ับ <c oughs> ได้ที่ <c oughs> อาจารย์บอกว่าสลับถ้าถ้าว่าพี่เจีย๊ยบเกิดคิดใหม่ว่านัา่นก้อนอนี้เอาจำนวนเลขในที่ผืนซึ่งมีมูลค่าเยอะมากรวมกันแล้ ว, ลวเป็นเงินจำนวนก้อนใหญ่ในชีวิตซึ่งวันนี้เราอาจจะหายากที่จะเอามาแล้วมาให้อันเนี้ยแต่จำนวนเยอะขนาดนี้เนี่ย สมมุคือเราจะยกให้เหมือนเป็นของขวัญมันเกิดหรือของขวัญทดแทดนบุญคุณหรือเป็นอะไซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะมันให้ไปแล้วแต่ถ้าเราเอากลับมาย้อนคิดของเราเองว่าเราจะเอาก้อนนี้ให้เนี่ยมันจะเป็นกุศลเป็นที่ว่าจริงๆก็ยังผูกเขาควรยืสิตได้อยู่จิตก็ผูกอยู่เขาปล่อยที่ไหน พเพ ร, พราะเขาผูกเพราะเขาผูกอยู่เ่เป็นของเขามันยังเป็นของเขาอยู่นะในใจก็าเขามีสิทธิ์ที่จะได้เขามีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ตลอดเวลาเลยเงินก้อนนี้ทรัพย์สมบัติชิ้นเนี้ยเขาถือว่าเป็นของเขาตลอดเลยที่ผ่านมาก่อนที่จะรู้จกักพระเนี่ยเขาไม่เคยปล่อยวางเลยแม้ไม่คืนเขาก็ยังไม่ยังสละได้ที่ไหนละไอ้ตรงนี้ถามว่าถ้าเขาสละได้เมื่อไรเป็นกุศลไหมเป็นที เนทานมันเป็นอยู่ตรงเนี้ยทานคือการให้คือการให้ข้างในสละข้างในออกได้อย่างเงี้ยถ้าสละยังไม่ได้มันไม่เป็นทานกุศลหรอก ม, มันเป็นแค่เปลือกถ้าสละได้เมื่อไหร่มันถึงจะเป็นทานกุศลมนุษย์มันยากกันตรงนี้แหละ ม, มันให้ไม่ได้ถ้าตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับข้างนอกแล้วข้างนอกอะคะเขาเอาไปแล้ว แต่ถ้าข้างในม้างในเหมืเราทำว่าเราเรายังเราคิดเรายังคิดว่าเป็นของเราใช่นั่นแหละถ้าเราสละได้ว่าเอาละเป็นของเรานั่นแหละแต่เราจะสละให้แม่ใส่กล่องนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้จริงๆให้แบบไม่ติดใจให้แล้วชื่นใจให้แล้วสุขใจให้แล้วเบาใจให้แล้วโล่งแล้วโปร่งมันยกภูเขาออกจากอกจริงๆเลยถ้าอย่างเงี้เป็น เปนทานกุศลเพราว่าเรเหมือนให้อะไรที่ใหญ่โตมากในสละเราแต่ถ้าถ้าสละไม่ได้ก็ไม่เป็นพูดอย่างเดียวไม่เป็นบอกว่าฉันให้ฉันไม่คิดอะไรหรอกแบกไปเรื่อยเพราะว่าก็คิดมาตลอดโอเคไม่ที่ยี่สิบล้านไม่เป็นไรยี่สิบไรไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาได้สามารถเพราะว่าอันนั้นที่ยี่สิบไร่ไม่เคยคิดว่าจะได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเอาอยู่ แล้วแต่อาจจะนิดนึงที่ที่เมื่อวานนี้ท่านพูดว่าแม่ให้เพราะว่าที่พี่เขาอาจจะมีอะไรซึ่งแม่เห็นว่าวิธีคิดเพื่อจะต้องการให้รู้ให้กิเลสมันยอ ม, มคิดหาเหตุผลเพื่อให้กิเลสในใจเรามันยอมเมืม่อคิดจะสละตาขนาดไหนไม่ยอ ม, มก็มีวิธีเดียวคือยกให้ตรงยอมเพราะพอเริ่มคิดก็พอ เขามีศักยาภาพเท่าเราเพียงแต่ว่าเข า, เ, เ, เขาไปใช้เงินโดยใช้หมดใช้หมดด้วยความสุรนนิซุรนนายแล่ถึงไปช่วยเขาและก็<ส>เราเป็นคนดีที่ <laughs> ไม่ใช่เข้าใจไม้มว่านั่นแหะคือศักยาภาพเขาไม่เท่าเรา ถ้าเท่าเราก็จะเงินก็จะหมดได้ไงแล้วศักยภาพมันเท่ากันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาสามารถทํางานได้ไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ศักยภาพเขาไม่เท่าเราเขาถึงไม่มีเขาถึงเท่าทั้งหมดใในการช้เขาทั้งหมดไงเขาเขาสามารถมีแต่เขาหมดก็นน่นไงก็เลยศักยภาพมันไม่เท่ากันของเราดีกว่าแต่เราพยายามที่สุดทําอย่างดีที่สุดแต่เรากับแต่แม่กลับไปช่วยคนซึ่งก็คนนั้นเขาไม่มีศักยภาพ ใช่ไหมละ่ะถ้ามีศักยภาพเขาก็ต้องเอาตัวรอดสิที่เขาไม่มีศักยภาพเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดอย่างนั้นแหละเลี้ยงไม่โตแต่ยอมเป็นคนเลี้ยงโตไงก็ <c oughs> ใช่ไหมละ่ <c oughs> ละก็เลยยอมจะไปคิดทําลายตัวเองทําไมละ่ะยอมคนดูแลตัวเองได้ดีไงแม่เขาก็เราใจ <c oughs> ใช่ไหมะ่ะแต่เราก็คิดแค่มุมนี้ก็คิดไม่ออก แม่น่าจะเป็นทานกุศลไปแล้วก็ไม่เป็นได้ทีโอ้ยริงๆเป็นการที่ยิ่งใหญ่มากเป็นทานกุศลโอ้ที่มีพลังมากเราชนะได้โอ้โหก็เรียกว่าทานกับการรบเนี่ยมันเสมอกันการไปรบมันก็ต้องสละชีวิตใช่ไหมการให้ทานต้องสละอัตราตัวตนก็คือค่าอัตราตัวตนทิ้งไปมันเสมอกันอย่างนั้นแหละมันเสมอกันอย่างนี้ ต้องคนกล้าตัวนั้นที่จะกล้าให้ทำลายอัตตาตัวตนทิ้งลงได้ต้องกล้าด้วยปัญญาต้องมีปัญญาตัวนั้นนั้นทานกับการลบมันถึงเสมอกันไงมันการให้ชีวิตเลยนะเพราะอะไรถ้าเราได้ทราบก้อนนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างเยอะเลยเราสละตรงนั้นให้เข้าไปเลยเนี่ยก็แปลว่าให้ชีวิตเป็นทานเลยให้ความสะดวกสบายเป็นทานเลยให้ความสุขสบายเป็นทานเลย ใช่ไหมให้อวัยวะที่จะต้องสมบูรณ์จากการได้อาหารได้ได้เงินได้ทองได้คุณภาพชีวิตที่ดีเราสละทิ้งไปเลยเนี่ยสละให้พี่ชายบ้างสละให้แม่โอ้โหยิ่งใหญ่ไ้แล้วยิ่งใหญ่มากแต่ไม่กล้าสะนี่จะเป็นยันยทท น, นุ้ยนี่ขวยคว้าทำกันดีเลยใช่ไมล่ะนี่มีความคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดเลย เคยคิดแต่ว่าก็เรียบคิดซะสิทำดีได้ดีเราทําดีแต่เรากลับไม่ได้เขาทําไม่ดีเขาไม่น่านแต่เขาได้อะไรกันนันเนี่ยไม่เข้าใจแปลวัตถุเป็นตัวตั้ง<ช>แต่เราไม่เคยเนี่ยมันได้โอ้โหเห็นไหมรึเล่าได้โอกาสนหนึ่งแทนที่คุณภาพชีวิตเราที่ได้อาหารได้ทรัพย์ได้อะไรทั้งมาเราจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีเราสละ สละความสุขที่จะได้จากทรัพย์สละอวัยวะที่จะได้จากทรัพย์สละชีวิตเราจะรุ่งจะอาจจะเจริญลุ่งเรืองอาจจะยืนยาวไปเพราะเรามีทรัพย์มีอาหารดีๆเนี่ยเราให้เลยให้อวัยวะเป็นทานด้วยให้ชีวิตเป็นทานด้วยให้ทรัพย์ภายนอกเป็นทานด้วยให้ความตนีทำลายความตนีความหวงความอืมสละเป็นทานไปเลยโหยิ่งใหญ่มากเป็นเป็นบา ร, รมีเลย ไม่เสียดายถ้าเป็นเราทำเต็มวันเราแล้วทำไมไม่ทำเดี๋ยวกลับไปไปตกล่องเดิมอีกตกไหมไม่อยากตกแล้วจ้าไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมถ้าคิดอย่างที่ฉันว่าเหนื่อยไหมคิดสลากับคิดจะเอาเนี่ยจิตที่คิดจะเอากับจิตที่คิดจะให้อะไรสบายเหมกันคือคือคือ เวลาคิดจะให้มันยากตรงนี้เราจะต้องตัดมันออกไปให้หมดให้ได้คือสละไปเลย ม, ลมันยากเลยมันยากด้วยเลยยากตรงไหน <laughs> มันเป็นปิยาทานานังเนีย ใ, ใ, ให้ของที่รักให้ของที่รักของที่หวงนีมันเป็นทานที่ยอดเนี่ย <laughs> เห็นไหมมันเนื่องด้วยอวัยวะเนื่องด้วยชีวิตเราก็ได้ ใช่ไหมครับแต่ทำไมไม่กลา้าทิศการที่เราจะกล้าอ น, นี้ต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราจะบำเพ็ญความดีตรงนี้หรือว่าโอ้แม่มีบุญคุณไหมมีพ่อคุณไหมกล้าสละ น, นี้บูชาคุณของแม่ได้ไหมได้ไหมบูชาคุณของพ่อด้วยอุทิศส่วนกุศลนี้ทั้งหมดให้พ่อที่ร่วงลับไปแล้วด้วย ตรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเลยขอบนนี้จงสำเร็จแก่พ่อเด็ดดวงใจ ย, ยืน่นได้ไหมได้ไม่ได้ได้เราเอาที่เอาน้ำมาทำเดีดดยย๋ยวจะพาเดี๋ยวพ า, พาทำเอาน้ำมาเลยเหมือนพระเจ้าพิมพิสารนสละพระราชอุทยานถวายแด่สงไปเลย น้อมสระเด็กดวงใจยืดเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมเราได้ทําทานที่ยิ่งใหญ่ทานที่เป็นรักมากขวงมากเป็นสิทธิของเราที่คนจะได้โอ้โหเรากล้าที่จะสละอย่างเนี้ยเราควรที่จะได้ทรัพย์เหล่านี้ไปหล่อเลี้ยงชีวิตของเราลูกเราเออญาติมิตรของเราทั้งหลายก็แล้วแต่เราควรจะมีอวัยวะที่บริบูรณ์ขึ้นควรจะมีชีวิตที่ดีขึ wie, ้นมีอะไรต่างๆเอาละบูชาคุณของแม่ ที่ให้ชีวิตมาสละให้แม่จริงๆเลยสละความโลภในทรัพย์นั้นสละความยึดติดความตนหนีห่วงแหนสละความเห็นแก่ตัวบูชาพระคุณของแม่นับตั้งแต่วันวินาทีนี้เป็นต้นไปจะไม่ติดค้างกับทรัพย์ก้อนนี้อีกหรือความคิดลักษณะอย่างนี้อีกกรวดน้ำสละให้ไปเลยดีไหมดี <laughs> ด ใช่ไหมล่ะก็กให้ชื่นใจต่อไปคิดทีไรให้ชื่นใจทุกครั้งเลยโอ้เราให้ทีดแต่ไรก็ให้เนี่ยเราให้คุยกับเพื่อนได้เต็มปากอ๋อฉันให้ทานแก่แม่ฉันบูชาคุณของแม่ด้วยทรัพย์เท่าเนี้ยด้วยที่เท่านี้ด้วยทรัพย์เท่าเนี้อแม่กับฉันจะได้ไม่ติดค้างกาันแม่จะได้มีความสุขเป็นของขวัญให้กับแม่แม่อุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยเลี้ยงดูฉันมาฉันให้ อชื่นใจเหลือเกินได้ดูแลแม่ได้เต็มที่ต่อไปแม่ไม่ต้องติดค้างไม่ต้องไปตามชดใช้ไม่ต้องไปตามเบียดเบียนกันไม่ต้องไปปักหรือยังต้องการติ่งไว้ในชาติหน้าบ้างไหมชาติไม่ไม่ไหวแล้วจ้ะไม่ใช่แต่มันดีนะต่อไปเราก็มีคนรับใช้อ่ะไม่เอาไม่อยากเขาเป็นเขาเป็นแม่ซึ่ง สร้งความลำบาเกเจ็บปวดได้เยอะมากพอสมควรไม่ใช่ถ้าเขาไปตามใช้เราเขาก็จะไม่ใช่เขาก็ไม่หญ่แล้วไม่ใหญ่เขาไปตามรับใช้เขาหรือไม่เอาเขาทําความเจ็บปวดมาให้เยอะมากเลยใช่ไหมแล้วต่อไปเขาจะทําความสุขให้กับเราเนี้ยไม่เอาไม่เอาเลยรักแม่ บางทียังไม่เข้าใจว่าทาไมเพราะว่าเขาทำหลายอย่างซึ่งทำให้เจ็บปวดมากตลอดชีวิตมามากกว่าให้ความรักเป็นความสุขแต่ว่าก็ยังรักเขาทำไมถึงรักรู้ไหมเพราะเขาเป็นเมีแล้วก็โยมก็เคยทำเข้ามาแบบนี้ พอมาถึงเขาทำยอมบ้างยอมก็เข็นแล้วว่ามันเจ็บปวดไหมต่อไปเขาอย่าทำอย่าไปทำเรารู้ว่าสิ่งใดมันเป็นความเจ็บปวดเป็นสิ่งไม่ดีเราก็อย่าทำที่จริงการที่เราได้แม่แบบนี้มันเป็นข้อฝึกได้อย่างดีาการที่เราได้ฝึกเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ไม่เจอแบบนี้เราก็จะไม่รู้เราจะไม่รู้ว่าทุกข์มันคืออะไร แล้วมันก็จะไม่ผลักดันให้เรามาหาพระด้วยนะีะถ้าชีวิตเราอยู่กับสุขสบายแล้วก็มัวหลงละเริงอยู่เราก็จะไม่รู้ว่าเออเราอยากจะตามหาว่าชีวิตที่เจ็บปวดชีวิตที่ทุกขทรมานทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมทุกขังป ร, ริญเยยยังอริยสัจยังทุกเนี่ยเป็นกิจที่ควรรอบรู้ ทุกปัญหาเป็นกิจที่ควรรอบรู้ควรใช้ปัญญาเข้าไปรู้การทากิจต่อทุกให้ถูกทุกขสมุทโยริยาัจังปหาตับพังเหตุให้เกิดทุกสมุทยาสจังเป็นกิจที่ควรละควรประหารควรกําจัดมีสองเรื่องหนึ่งทุกคือปัญหาสองเหตุให้เกิดทุกคือเหตุของปัญหา เอาล่ะสิถามว่าเราเห็นกระแสะชีวิตของคุณแม่กระแสะชีวิตของเราที่มันดำเนินหรือมีการกระทำลักษณะอย่างนี้นี่เป็นตัวอะไรเป็นตัวทุกเป็นตัวปัญหาอะไรเป็นเหตุทําให้คุณแม่เป็นแบบนี้สมุ ท, ทยัย ก็คือตัวปัญหาตัวความต้องการตัวความโกรกความโลภในใจของคุณผลักดันให้กระแสชวิตคุณแม่เป็นอย่างนั้นทาให้แม่ต้องดิ้นรนกระเสื่อมสูมีทั้งทุกข์และเหตุได้ตัวตัพอเราเห็นทุกข์เห็นปัญหาที่มันเป็นกฎความจริงธรรมชาติแต่เรากลับไปดึงเอาความทุกข์ของธรรมชาติมาใส่ไว้ในใจเราทําให้ใจเราเป็นทุกข์ซะนี่ เราน่าจะเห็นทุกข์ด้วยปัญญาแต่เรากัดเอาใจเข้าไปรับรู้ทุกข์แล้วเราก็ไปแบกทุกข์ไปดึงทุกข์นั้นเข้ามาไว้ในใจแล้วก็มาหมุนนั่นเป็นทุกข์จากทุกข์ข้างนอกจากทุกข์ธรรมชาติจากทุกข์ของความจริงเรามาดึงไว้ในใจเราม่นเลยไปทุกข์สองชั้นเลย 1. ความจริงของชีวิตมันเป็นทุกข์สเราไปเห็นทุกข์แล้วใจเรากลับเป็นทุกข์แท้จริงถ้าเราเห็นทุกข์ด้วยปัญญาใจมันต้องเป็นสุขสิ จะเห็นความจริงเลยใช่ไมเห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุขถ้าเห็นทุกข์ด้วยปัญญาปัญญาก็จะเป็นตัวปลดปล่อยทาให้จิตนั้นมีทางเดินและเดินได้ถูกทางเราก็ไม่เจ็บปวดเห็นคุณแม่เป็นแบบนี้คุณแม่ทำอย่างนี้ออนได้รู้ความจริงของชีวิตได้รู้ความจริงของปัญหา ได้รู้ความจริงของเหตุของปัญหาที่กำลังผลักดันกระแสะชีวิตของคุณแม่ให้เต้นไปตามความโลภ บ, บ้างโกรธบ้างหลงบ้างเราก็จะเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งตัวเหตุถึงทุกข์อยู่ตลอดเวลาพอเราไม่เอาใจก็ไปรับรู้เอาปัญญาเข้าไปรู้เราก็จะเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งเหตุใี่เกิดทุกข์ที่คุณแม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ใจเราก็เป็นสุขเราก็ไม่เป็นทุกข์ตามธรรมชาตินั้น ใจเราก็รู้ความจริงว่าโอ้เนี่ยการทําไม่ถูกเป็นอย่างนี้การดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นอย่างนี้การคิดไปตามกิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้การทํากรรมที่ผิดพลาดเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นโอ้ได้เรียนรู้ปัญญาเกิดเอออย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเราก็จะรู้เราก็จะดำเนินไปตามมาัจจุดหมายก็คือเพื่อ น, นิโรธโอ้แต่เนี้ยเราก็ได้ะไได้ความสุขเห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุข เป็นสุขตองที่ได้เห็นความจริงเพราะปัญญาเข้าไปรู้ไปวิจัยแยกแยะองค์ประกอบทั้งหมดแยกแยะเหตุปัจจัยทั้งหมดรู้ชัดรู้ทั่วรู้ลึก ร, รู้รอบหมดเลยถึงอู้ได้ศึกษาได้เรียนรู้กระแสะชีวิตหนึ่งที่ทําผิดพลาด บ, บ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างอู้ได้เรียนรู้หมดเลยเข้าใจอย่างว่าโอ้เนี่ยเห็นแล้วเห็นปัญหาเห็นเหตุของปัญหาทีนี้เราจะดําเนินชีวิตอย่างนั้นไหมหม่เลย แล้วก็มาดําเนินตามไอ้ตัวนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นคือจุดหมายเขาเรียกว่าทุกขนิโรธวอริยสัจจ์สัจจิกาตะพังควรประจักษ์แจ้งควรรู้ถึงส่วนมรรคสัตจ์เนี่ยเป็นกิจที่ควรบําเพ็ญลงมือปฏิบัติแล้วก็มาทําตัวข้อที่สี่คือมรรคมรรคก็คือมีปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเราไปเห็นอะไรเห็นทุกข์ละอะไรสมุทยัย จุดหมายเพื Alors, Ma ่ออะไรนิโรธดำเนินตามมรรคสัตว์ก็คือจิตเราก็ปลดปล่อยเรามีจุดหมายไม่ใช่เพื่อทุกแต่มีจุดหมายเรามีอะไรเรามีจุดหมายคือนิโรธเราไปรอบรู้อะไรเห็นความจริงของอะไรเห็นความจริงของทุกเรากำลังละอะไรละเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยเรามีจุดหมายคือนิโรธเราดำเนินตามอะไรตามมรรค ดำเนินตามมากก็คือมีปัญญาไปเห็นอะไรเห็นความจริงของคุณแม่เห็นความจริงของเพื่อนเห็นความจริงของกระแสชีวิตเราและสิ่งภายในและภายนอกเพราะเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะถ้าเป็นทุกข์มันเป็นสมุทัยเป็นตัณหาเป็นโลภะโทสะโมหะเพราะเห็นปุบเห็นความจริงได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําใจเราเป็นยังไงใจเราก็เป็นสุขทุกขั้นตอน เห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุขในพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าสอนให้เห็นความจริงคือเห็นทุกข์แล้วก็ละเหตุให้เกิดทุกข์เราก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยกระบวนการของบรรด า, าสัตว์ทั้งหลายมีแค่สองสัจจ์มีแค่ทุกข์กับสมุ ท, ทยัยมันยอมเป็นนี่ยอามาเห็นยอมทุกข์ใช่ไหมเห็นเหตุที่ทําให้ยอมทุกข์คือโลภกดหลงคือตัณหาคือสมุ ท, ทยัยยมได้สองสัจจ์อามารู้แล้ว ยอมเดินมักขสัตย์ไม่เป็นเน่ะโดนยอมเดินได้แค่สมุทัยสัจจะแล้วก็เป็นเหตุให้ทุกขสัจจะยอมก็มีแต่ปัญหาอยู่ล่ําไปไหมอามาเห็นนะอามาไม่ไม่ร้องไห้แหละเพราะอามาเห็นทุกขและใจอามาเป็นอะไรอามาเป็นเห็นสุขเห็นความจริงของชีวิตอามาไม่ได้ไปเอาตัณหาไปเห็นตามโยมนี่อามาเห็นได้ปัญญาเอาปัญญาก็ไปเห็นกระแสชีวิตของยอมเจี๊ยอ๋อยอมเจี้ยเป็นทุกขเพราะ ไปจำในเรื่องที่ไม่ถูกเป็นปปัญจัดสัญญาเป็นกิเลสสัญญาเป็นอกุศลสัญญาเป็นสมุทัยสัจจะก็ปั่นตัวเองให้เป็นทุกข์อ๋อที่กระแสชีวิตที่เป็นทุกข์เพราะไปสร้างสมุทัยขึ้นมาก็เลยได้2ได้ทุกข์กับสมุทัยได้ทุกข์กับเหตุได้เกิดทุกข์ทุกข์กับเหตุได้เกิดทุกข์อยู่ล่ําไปไม่สามารถดําเนินชีวิตไปถึงนิโรธคือถึงจุดหมายคือความดับทุกข์ได้จริงอากมาไม่ไปทางนั้นอากมาเห็นทุกข์ เอามาเห็นด้วยปัญญาใจเอามาเป็นเป็นสุขไหมเอามาก็เป็นสุขเอามาดําเนินไปเพื่อนินโรธแต่ยอมดําเนินไปเพื่อทุกย่ก็ปั่นตัวเองอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยยอมใช้ได้แค่สองสัจจะนั้นชีวิตมันเป็นกรณีน่าศึกษาไหมแบบเนี้น่าศึกษาน่าเรียนรู้มองเห็นหรือยังเนี่ยเราใช้อริยาศาสตร์ผิดข้ออริยาศาสตร์มีสี่นี่ทุกสมุมทัยนิโรธมรรคเขาให้เดินข้อสุดท้ายข้อเดียวพอทุกไม่ต้องไปทําอะไรกับมัน ใช่ไหมรู้จักมันสมุทยัยควรละเขามไม่ต้องไปทําอะไรนะมิรอดควรรู้ถึงควรประจับกแก้ก็ยังไม่ต้องทําอะไรทําข้อเดียวก็ข้อสุดท้ายคือมรารกษัจจ์คือเดินสัมมาเดินปัญญาเดินความเพียรเดินความเชื่อมัน่นที่จะดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็3ามข้อนี้ก็ได้ไปดีถึงเห็นไหมว่าเราไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปทุกข์แล้วก็ท่องกันได้หมดเนทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์แต่พอทําจริงๆเราไปทําข้อสองอเราไปหมุนข้อสองมันก็เป็นทุกข์อยู่ล่าไปเครียดบ้างกลุ้มบ้างทุกข์บ้างใช่ไหมสแสดงว่าอะไรโยมได้แค่สองสัจจะเองชีวิตของโยมได้ทุกข์กัเหตุได้เกิดทุกข์ก็หมุนตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละทำร้ายตัวเองอยู่อย่งั้นแหละบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเป็นแบบนี้ไหมแม่ก็เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นถามว่าต่างกันไหมแม่ลูกคู่นี้ต่างกันไหมไม่ไม่ไม่ต่างกันเลยมีแค่สองสัจจะเหมือนกันทุกขกับสมุทัย ไหมสร้างเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนกันแต่สร้างคนละเหตุกันก็แค่นั้นเองเอา้าวมารู้ความจริงแล้วไม่เดินโลยมาเดินมรรคสัตติก่าเดินก็ข้อปัญญายังไงรู้ความจริงพอรู้ความจริงตรงนี้อา้าวถ้ามีปัญญาเราต้องการอยากให้คุณแม่ตามชดใช้เราทุกอัตภาพก็ได้อย่างที่บอกไม่ยากเลยจเจริญกุศลเอาเละกุศลเนี่ยแต่มีข้อแม้นะ อ่าแล้วจะเดินกุศลเนี่ยใครที่เอาส่วนที่ฉันจะได้ไปขอให้ท่านคนนั้นตามชดใช้ฉันในทุกอัตภาพที่เกิดอ่านไหมไม่เขาจะตามชดใช้เราเลยนะไม่อยากได้แล้วเลยไม่อยากใช่ไหมถ้าทำอย่างเนี้เขาก็ตามทุกอัตภาพที่เกิดอีกทีเพราะอะไรเพราะกาลังกุศลยกตัวอย่างได้เยอะแยะหมดเลยก็เหมือนอย่างเนี้ย อย่างที่ยมเจียวอยู่พู ก, กันมาอย่างนี้ตลอดมาในอัตภาพนี้ยอมก็ถูกแย่งชิงนะครับเพ่อที่จะได้ก็มีนะแล้วก็เจ็บปวดพอไปอัตภาพถัดไปแม่ก็โดนแย่งชิงต่อแล้วก็เจ็บปวดต่อสลับกันอย่างนี้ขึ้นลงขึ้นลงแล้วแต่จะไปเป็นอะไรเนี่ย บางครั้งก็จะเป็นเศรษฐีบ้างเป็นคนจนบ้างเป็นยาจกบ้างเกิดเป็นอบัยศัตร์บ้างเกิดเป็นมนุษย์เทวดาขวนเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยสนุกไหมมันเป็นอย่างนี้พอรู้ความจริงอย่างนี้พอปัญญาเปิดขึ้นมาไปเห็นความจริงอย่างเงี้พอจุดประทีปขึ้นมาแสงสว่างมันเกิดขึ้นมาทั่วทั้งเห็นความจริงอ๋อเป็นอย่างนี้พอเห็นความจริงปุ๊บให้กลับไป ต้องการมันไม่เอาเลยพอนะ่อโอ้โไม่เอาเลยเว้ยเรื่องอะไรใช่ไหมละ่ะเหมือนเนี่ยจะให้ยมบีกับไปไปเรียกร้องฉันต้องมีสิทธิ์ได้ทำไมไม่เรียกร้องเพราะอะไรไ ม, ไมีไหมทำไมไม่อยากได้นี่ทำไมเขาอยากสด อปลี่นอันนึงว่าทรัพย์กับความสุขเงินกับความสุข ม, มันมันคนละตัวกันแล้วนะถามจริงๆว่าเราอยากได้เงินหรือความสุขเราอยากได้ความสุขเพราะฉะนั้นมันก็อ๋อเงินมันเป็นปัจจัยภายนอกมันเป็นอะไรนนอกนนตัวเป็นตัวที่ใจโยงว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขคนละตัวคเราเลือกกันเลยในเรื่อความต้องการของเราให้เลือกเงินกับความสุขเราเลือกความสุขเราก็เลย แต่เราไม่รู้ถ้าเรารู้เราจะได้สลับมหาทานเนี่ยที่พี่เจฟตํางา น, นจะสลับมหาทานแล้วเราจะรู้สึกดีมากเลยก <c oughs> ็ุ่มย้อนสลับเอาทีหลังอย่างนโอ้โหนี่เป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากทําได้ยากมากมแต่เป็นโอกาสดีมากถ้ามีโอกาสานี่ใช่ไหมยังมีอะไรติดข้องไหมมีติ่งอะไรบ้างไหมที่ยังสลับไม่ได้มีไหม เคยคิดอยู่ว่าตอนที่ตอนที่ที่ที่มาทราบว่าคุณแม่ให้พี่ชาย2ี่ยี่สิบไร่แล้วไม่ให้เราเลยสิ่งแรกที่คิดคือเขาไม่รักเราเลยเขาถึงไม่ได้ให้คือ ต, ตอนแรกก็า ค, คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นจริงจริงแล้วคิดแล้วได้คิดแล้วคิดว่าถูกคิดถูกไหม แต่ตอนนี้ก็มองอีกอย่าที่ท่านสอนเรื่องว่าเขาก็คงเห็นว่าคือเรื่องคือบางทีเนี่ยนะโยมเกี้ยไปเอ า, เอาคิดแล้วก็เลยน้อยใจและเราเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจวิธีคิดอย่างนั้นมันทายยําลายตัวเองอยู่แล้วเพราะเราไปคิดในลักษณะว่าถ้ารักใครก็ต้องให้คนคนนั้นในการที่เราให้ของใครนั้นเป็นสื่อหมายบอกว่าเรารักคนนั้นถ้าเราไม่ได้ให้ใครแปลว่าเราไม่รักคนนั้นถามว่า ถ้าพูดกันโดยตรงๆนะยอมไม่เคยให้อะไรฉันเนี่ยยมรักชันไหมเห็นฉันแล้วเกลียดฉันไหมเนี่ยทําไมมันไม่เกี่ยวกับให้วัตถุเลยแล้วฉันไม่เคยฉันก็ไม่เคยให้อะไรยมเลยนะแต่ทําไมฉันเห็นโยมแล้วฉันรักปรารถนาดีเอื้ออาทรเห็นไหมมันไม่เกี่ยวกับวัตถุที่ไหนละมันเกี่ยวกับจิตของฉันเนี่ยฉันเห็นยมแล้วฉันรักปรารถนาดีเอื้อทรหวังให้ยมมีความสุขอยากให้ยมพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อนปรารถนาโยมมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าปรารถนาโยมพ้นจากกิเลสละกองทุกข์ถามว่าฉันรักโยมอย่างนี้ปรารถนาดีกับโยมอย่างนี้โยมต้องเอาอะไรมาให้ฉันไหมแล้วฉันต้องไปให้เป็นวัตถุโยมไหมฉันก็รักโยมได้ใช่ไหมรักด้วยเมตตารักด้วยกรุณาเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันทําได้หมดเลยโยมแต่ชาวโลกเนี่ยมันติดอยู่ตรงที่ว่าถ้าไม่ให้คนนั้นมากให้วัตถุมากดึงรักมากไม่จริงไม่จริงอันนี้ไม่ใช่มาตรฐาน อย่รักคือถ้ามีใครสักคนมารักฉัน้วยตันหาเนี่ยฉันไ ม, ไม่ไม่พอใจอโอ้โหตันหาไม่ได้รักแท้เนี่ยมันรักเทียมนี่ตันหาเป็นรักเทียมเพราะรักโดยตันหาเนี่ยมันรักเพื่อหวังอยากจะได้สุขเวทนาจากคนนั้นถ้ารักใครสักคนคนนั้นต้องตอบสนองสุขเวทนาได้มั น, นึงรักถ้าให้ทุกเวทนารักไหมล่ะ ไม่รักอีกใช่ไหมล่ะเช่นหนุ่มสาวรักกันเนี่ยเพราะว่ามองไปแล้วเนี่ยมันได้ความสุขทางตานงฟังเสียงแล้วมันสุขทางหูทางจมูกได้สุขทางนี้ทางจมูกสุขทางลิ้นสุขทางสัมผัสสุขทางคิดนึกทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเพราะคิดวันตอบสนองตัวนี้ตัวนี้ได้มันก็ไปรักกันแต่พอไปไปมามาพราะไอ้ตรงนั้นน่ยมันตอบสนองกันไม่ได้มันถึงย่าร้างกันไงมนุษย์เห็นไหมตันหามันมีขีดจํากัดอย่างเงี้ยถ้าวันใดวันหนึ่ง มองไปแล้วมันไม่ได้สุขเวทนาแล้วเสียงมันก็ไม่ได้เสียงชมเสียงไพเราะอย่างเก่าเป็นเสียงด่าเสียงบน่นสัมผัสมันไม่นิ่มนวลอย่างเก่าซะแล้วมันแข็งอย่างกับจับไม้จับเหล็กจับอิดจับปูนเหนไหโอ้โหที่นี่มันเริ่มแล้วใช่ไหมแล้วก็อยู่ใกล้ๆไม่ได้ให้ทํามาลมที่น่าชื่นใจใดๆเลยให้แต่ความทุกข์ใจตลอดเวลาโอ้มันหาทางหยาดกันตลอดเวลาใช่ไหมล่ะเนี่ยมนุษย์มันทะรัก รักเทียมมันเป็นอย่างนี้รักเลยตัญหาต้องการให้บุคคลอื่นมาตอบสนองอัตตาตัวตนให้สุขเวทนาแก่ตนเองแต่ถ้าเมตตาไม่ใช่เมตตาเป็นความรักในการที่จะให้เป็นความให้เช่นปรารถนาให้โยมมีอายุยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักปรารถนาดีให้โยมมีทรัพย์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์รักปรารถนาดีให้โยมมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขไม่แตกแยกรักปรารถนาดีที่จะให้คำจริงให้คำที่เป็นประโยชน์ให้คำเหมาะแก่การให้คำพูดที่พูดได้มีาจไม่ใช้วาจาเป็นห อ, อกไปทิมโยมใช่ไหมล้ะแล้วก็รักปรารถนาดีก็คือไม่ให้ยอมบาดระแวง ทำตนเองไม่ให้โยมบาดระแวงในในอามาอย่างเงี้ยอย่างนี้ยเขาเรียกว่าปรารถนาดีนี่ก็าเรียกให้อย่างนี้เขาเรียกให้อะไรให้อภัยทานให้ความปลอดภัยในชีวิตให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในบุตรในภรรยาในสามีให้คําสัตว์คําจริงให้ความไม่หวาดกลัวไม่หวาดระแวงเป็นต้อย่างนี้ชื่อว่าให้หรือยังนี่ไงการให้ที่แท้จริงมันให้อย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์เลยโยก ไม่ได้เกี่ยวแล้วแต่มนุษย์เนี่ยที่ยังไม่พัฒนาก็ติดกันอยู่แค่นั้นติดกันอยู่แค่ทรัพย์ข้างนอกวัดกันแค่แค่ตรงนี้ยิ่งโลกนี้ในอนาคตในปัจจุบันโดยแล้วก็วัดกันที่วัตถุใช่ไหมล่ะก็พัฒนาที่วัตถุแล้วความสุขของมนุษย์เป็นอย่างกลลง็ลดลงลดลงก็จุดต่งไปทั้งด้านวัตถุด้านจิตใจก็ถูกละเลยแต่พระรัชกาบอกว่าจงให้ความสําคัญทั้งสองด้าน ทำด้านวัตถุด้วยทำด้านจิตใจด้วยให้พัฒนาไปคู่กันถ้าเอาแต่วัตถุจิตใจไม่สนใจเลยเอาแต่จิตใจไม่เอาวัตถุเลยก็ก็ก็ไม่ได้เรื่องทั้งคู่นั้นมันต้องควบคู่กันอย่างนี้เป็นต้นนั้นนี้พอมองออกไหมครับเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าประเด็นที่ยอมเจี๊ยบอกว่าแม่ให้พี่ชาย พ่อแม่รักพี่ชายไม่ไรักเราประเด็นนี้ไม่จริงเสมอเพราะวัตถุไม่ใช่เป็นตัวสื่อว่ตัตถุหลายคนที่ไม่ต้องให้วัตถุเขาก็ระ ก, กันนะทําไมต้องให้ตัววัตถุเป็นตัวเชื่อมอย่างเช่นจะมีความสุขทำไมต้องให้เงินเป็นตัวผ่านความสุขถ้ายามทํางานโดยเอาเงินเป็นตัวผ่านความสุข ยอมทำงานเดือนหนึ่งถึงจะได้เงินถึงแสดงว่า29วันยอมสุกในจะสุขในวันที่มีเงินเข้ามาสุกแค่วันเดียวแล้วยอมกระทุกต่อไปอีกอย่างนั้นใช่ไหมใช้ชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยจะสุขแต่ละทียากเหลือเกินต้องเอาวัตถุเป็นตัวเชื่อมจะรักแม่แต่ละทีต้องให้แม่ให้วัตถุเราจะแม่จะรักลูกแต่ละทีลูกก็อเอาวัตถุไปเชื่อมให้ทําไมต้องให้วัตถุมาเป็นตัวกั้น เป็นตัวเชื่อมระหว่างแม่กับลูกเลยก็วัตถุออกไปสิกรักกันโดยจะไม่ไม่ต้องผ่านวัตถุเลยได้ไหมวัตถุก็เป็นแค่ปัจจัยภายนอกเป็นตัวเสริมเท่านั้นเองเป็นปัจจัยเกื้อหนุนมันไม่ใช่เป็นตัวหลักไม่ใช่ตัวหลักใช่ไหมจริงไม่จริงมองเห็นไหมเห็นเห็ว่าวัตถุเป็นไม่ใช่ไม่ใช่แสดงแต่ถ้าถ้าแม่เขา ไม่ได้ให้วัตถุแล้วก็ไม่ได้ให้ความรักอแล้วถ้าเขามีแต่จะติดเตียนด่าว่าหรื อ, อใจร้ายกับเราคืออย่างนี้บางทีประเด็นคือชีวิตถ้าเราขะเราต้องการนั้น บางทีเราต้องการให้ใครสักคนมาลักเราให้แม่รักเราใ ห, ให้แม่เข้าใจเราให้แม่การคิดในลักษณะนี้ยเป็นการคิดที่จะเอาการคิดที่จะเอายอมอย่าตั้งความรู้สึกอย่างนั้นได้ไหมตั้งว่าเหมือนเหมือนนั่งอยู่ตรงนี้ยอมคิดถึงแม่ยอมให้ให้ความรักความปรารถนาดีกับแม่ ถ้าโยมให้ความรักความปรารถนาดีกับแม่โดยไม่ได้ต้องการว่าแม่จะต้องมารับปรารถนาดีกับเราถามว่าเวลาอามาตั้งความรักความปรารถนาดีกับโยมเทอะแบบโยมทุกคนเอามาต้องการให้โยมกลับมารักตรงนั้นน่ยมันไม่ใช่จุดหมายจุดหมายหลักก็มามาต้องการเจริญใจต้องเอามาเนี่ยมีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนกับ เอายอมเป็นประธานแล้วก็ทุกค น, นก็เป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบริวารเป็นต้นแล้วแต่ตอนนั้นจะตั้งหลักใครเป็นประธานแล้วก็ให้ความเมตตาแก่คนทุกคนอยู่นในขณะที่ให้เนี่ยรักปรารถนาดีเอื้ออาทอนนึกไปถึงคุณแม่พุ๊ความรู้สึกก็ให้แม่มีความสุขให้แม่มีอายุยืนให้แม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะให้ให้ความรักคอยแม่บริบูรณ์ได้รับ อย่าเดือดร้อนในทรัพอย่าขาดแคลนในเรื่องทรัพยขอให้แม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่กับใครก็อย่าแตกแย่จงรักสมัครสมานสามัคคีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะใช้วาจาที่เป็นมัธุรสวาจาวาจาที่ดีกับคุณแม่ไม่ใช้ไม่ไม่ใช้วาจาเป็นหอกไปทิ้มแม่ไปทิ้มแม่ไปทแปนทนแม่อีกแล้ว จะพูดคำอ่อนหวานคำจริงคำที่เป็นประโยชน์ถูกการพูดด้วยเมตตาแล้วก็จะไม่ให้แม่หวาดระแวงในเราต้องมาหวาดหวั่นในการเห็นเราอีกตั้งความรู้สึกโดยชนิดที่ว่าแม่จะทำความรู้สึกของแม่อย่างไรจะมีข้อมูลอย่างไรจะคิดเกี่ยวกับเราอย่างไรอันนั้นมันเหนือการควบคุมของเรา แล้วเพราะนั่นเป็นกระแสชีวิตของคุณแม่คุณแม่คิดอย่างไรคุณแม่ก็ต้องรับผิดชอบความคิดของคุณแม่อยู่แล้วเหมือนเราอ่ะถ้าคุณแม่คิดโกรธเราความทุกข์ไม่อยู่ที่เรามันอยู่ที่คุณแม่ความคิดที่เกลียดเราความความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่แม่แต่เราไปมัวคอยจ้องว่าแม่โกรธเราเกลียดเราและเราไปเอาความทุกข์หรือความรู้สึกไม่ดีกับคุณแม่ เราก็กลับกลายเป็นอะไรเราก็มาเบียดเบียนตัวเราเองอีกเหมือนยอมบีสมมติถ้ายอมเจี๊ยบโกรธยอมบนะีเห็นหน้ายอมบีแล้วโกรธพอยอมบีเห็นปุ๊บว่ยอมเจี๊ยบโกรธแล้วยอมบีโกรธตอบถามว่าสองคนเนี้ใครเร็วกว่ากันยอมบีเร็วกว่าเอาทำํำไมถึงเร็วกว่า เพราะอะไรก็เห็นอยู่แล้วว่ายอมบียอมเกลียบกําลังโกรธตัวเองอยู่กําลังโกรธอยู่กําลังประทุสลายตัวเองอยู่ใช่ไหมก็เห็นอยู่มันเหมือนว่ามีใครสักคนหนึ่งยืนอยู่แล้วเอาตักเอาถังตักในหลมอุจจาระนี่นะมาเทราดตัวเองเนะี่ยยอมบีเห็นปุ๊บก็วิ่งเอาถังไปตักแล้วเขมาลาดตัวเองตามใครเร็วกว่ากันใครแยกก่กว่ากันยอมบีแย่กว่า เห็นตัวอย่างไม่ดียังไปทําตามอีกอย่างนี้เป็นต้อเรื่อมองเห็นไหมเราไม่เห็นต้องการจะไปทําไมคุณแม่จะเป็นอย่างไรก็ท่านเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องสุดเดาของเราทั้งนั้นแหละว่าไม่รักก็ได้ว่ารักก็ได้มันเรื่องขณะจิตในยอขนาดจิตที่รักร้อยขนาดจิตมาเกลียดสองขนาดจิตแต่เราไปเห็นตอนขนาดเกลียดแล้วก็เหมาจ่ายได้เลย ว่เกลียดเราอู้หูทำไมมันทําไมคิดน้อยยังอะ่ะถ้าอยากคิดก็คิดมันมากมากหน่อยถ้าเกลียดยอมเพราะว่าฆ่ายอมต้องแถมเล็กๆน้อยๆต้อปล่อยมาได้ขนาดก็จะฆ่าตอนตอนอยู่ในท้องก็ได้นี่ง่ายเดียวกินยานิดเดียวก็ได้ก็ออกแล้วให้ให้เกิดมาทําไมหรือตอนเกิดใหม่แค่ปล่อยนอนตไดง อยงเลี้ยงมาแล้วตายเมื่อไรก็ได้ยัใครรู้ด้วยเนี่ยแก้งเอาเนาะเนาะให้ความน่าจะพลิกได้ไหมไเด็กคนนั้นเน่ะหนูเจี๊ยบคนนั้นเนี่ยจะพลิกได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ตายเ <c oughs> ลิกคิดเด็กจยาบถ้าคิดว่าแม่เกลียดเนี่ะ <c oughs> เด็กปะเด็กไปแล้วจริงไหมภาษาอกินโดนีเซียจริงไ้มล่ะ คิดว่าแม่เกียดเนี่ยมันนั่นไปแล้วมาจนขนาดนี้แล้วต้องคัดความคิดแบบนี้ได้แล้วเพียงเกลียดเขาไม่เกลียดหรอกบางครั้งเขาอาจจะไม่พอใจพฤติกรรมบางอย่างเขาอยากจะให้เราเนี่ยอย่าไปคิดมากกับพี่ชายกับอะไรอะไรต่างๆก็แล้วแต่เหอะอะไรอีกเยอะ เราก็ดูแลตัวเองได้แต่ไอีกช่วงนี่ดูแลตัวเองไม่ได้ให้ตลอดเรยก็ไม่รู้จักพออะไรก็แล้วแต่อ่อนแย้มด้านความคิดรับผิดชอบตัวเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอีกเยอะอย่างที่บอกไปนั่นแหละแต่อย่ายอมก็ไปตกล่องอีกไปคิดอีกมุมหนึง่งทําทไมตรงนั้นไปช่วยตรงนั้นตัวอย่างที่คิดกลับมาอีกอย่างวันเนี้นะใช่ไหมจะมีครั้งที่สาวอีกไหมหมาก็ไม่มีนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรจริงๆมีก็ดี ยอมจะได้มุมจริงๆแล้วเนี่ยยอมบีมหาผ้ากี่ครั้งนะเลยสิบสิบสี่สิบครั้งเห็มครัเป็นร้อยครั้งไม่เห็นเป็นไรเลยใชไมครับพอมองเห็นนีอยังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรรักแม่ไหมควรเมตตาไหมควรจะเมตตาหรือคนจะโกรธเราคิดให้โกรธแม่ได้ไหมดิฮะเพราะอะไ ยังมีมุมที่จะโกรธดอิ้งนะมีไหมมีมีเยมีใช่ไห ม, มไม่อยากเลยทําให้ถูกไม่อยากถุกนะไม่ใช่ก็คือลองคิดดูที่มุมไหนที่จะโกรธลองคิดให้ฟังหน่อยจยีมุมที่น่าโกรธสุดๆเลยเอา้าพูดมาทีฉันก็อยากจะดูว่ามุมนะั้นมันน่าเกลียดขนาดไหนพอพูดออกมาดูที่มันมันจะได้คิดต่อหน้าพระเสียแล้วพระเขาจะได้มองให้ดูแลวพระจะได้บอกวิธีว่าไอา้คิดแบบนี้ยมันถูกมันผิดอย่างไร ถ้างั้เดี๋ยวแอบไปคิดคนเดียวอีกใช่ไหมล่ะมันมีเรื่องคิดเยอะนี่อะไรอีกรู้สึกมันคิดแล้วมันตกล่องอยู่เรื่อยเนี่ยมันเป็นยังไงมีไหมก็มีบ้างนี <laughs> ไหที่รู้สึกมันมไม่เคลียร์มันขาดใจได้เพราะจริงๆแล้วบางทีกลับไปมันไปคิดอีก น, น อะไรบ้างรู้สึกว่ามันชอบคิดมุมนี้อยู่เรื่อยเลยก็ <_ d ans> อย่างที่เมื่อเมื่อคืนกลับไปกลับไปคิดเองใช่ไหกลับไปคิดใช่ไหมล้ะแล้วทีนี้ถ้ากลับไปอีกจะคิดมุมไหนอีกความต้องการความอยากความต้องการหรือว่าความเห็นของยอมว่าตรงไหนอีกที่ดูแล้วแม่ทำไม่ถูกมีไหมมี ม, มีมีประเด็นใดอีกไหรู้สึกประเด็นนี้รับไม่ได้จริงๆริมีไม มากจบนบางทีมันไม่พยายามจะไม่คิดถึงมันมันเบิ่มจริงๆนีในหลักการจริงๆเขาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยไม่พยายามคิดแต่เขาแก้ปัญหาด้วยการที่ดึงข้อมูลนั้นเอามาปัญญาวิจัยเขาใช้สติเขาไม่ได้ใช้กิเลสไปคิดอย่างยกตัวอย่างเช่นอใช้สติตั้งใจที่จะคิดเลยดึงข้อมูลนั้นมาดึงเรื่องราวในดีดมาแล้วปัญญามาตรวจสอบอย่างเมื่อกี้เฉ่นก็ชวนให้คิดเลยเห็นไหม ฉันไม่ชวนห้ามคิดที่ไหนเอาเอาเรื่องคุณแม่มาเอาเรื่องการให้ที่เรื่องการไม่เรื่องนั้นเรื่องการที่พูดจาไม่ดีกับเราเรื่องไม่รักเราอะไรก็แล้วแต่เนีย่ยดึงมาเบ็ดเสร็จกับมาวิจัยพอมาวิจัยเบ็เสร็จปุ๊บว่าโอแสดงว่าถ้าแม่บอกว่าเออไม่หนูเยี่ยมแม่รักมากแม่หนูรักรักรักหนูมากรักหนูมากแล้วอะไรต่อได้เลยได้คําพูด แล้อะไรต่อแต่มันก็ยังดีกว่าได้คําติเตียนที่ที่เขาว่าเรามาสลอดทันชีวิตที่เขาชื่อดีแต่ว่าว่าว่าว่าทุกอย่างเขาทําอะไรก็ไม่ดีติคือคือเขาไม่ชอบชมคนก็เข้าใจแต่ว่าเขาไม่ยอมชมเพ้าว่าชมแล้วทําถ้าชมแล้วเหลิศเขาก็จะไม่ชมเราใชอันนั้นเป็นทิฏฐิของเขาของท<อ><อ>ิฏฐิแนั้นรับได้ไม่ชมก็ไม่ต้องชม ก็ไปเห็นเป็นไรก็รับได้แล้วก็จะไปทุกข์ทำไมแต่มันก็แต่ชอบมาว่ามาติเตียนอันนี้ไม่ชอบมนะ้ถามว่าถ้าไม่มีแม่ตีเตียนแล้วจะให้ใครตีเราแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีแม่คอยตีก็กจะเหงาอยู <c oughs> ใช่ไหมล้ะแต่ <c oughs> ว่าถ้าถ้าถ้าเขาไม่รักเขาจะมาตีเลยคนอื่นตียมไหมล่ะจริงจริงหคนอื่นกล้ามีใครกล้าติโยอม ใช่ใชใชหมเพราะอะไรเขไม่ติอยมอมทำไมรักเราเออทาไมไม่มองอย่างนั้น <c oughs> มันเป็นอะไรถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยแม่ย่งติเราได้อยู่ตําหนิเราได้อยู่แปลว่าแม่แข็งแรงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเลิกติตำหนิเราแปลว่าแตกสุด <c oughs> ก็มีแค่นี้เองฉันเจอพระเถระรูปนึ่งเพระโบนโบนโบ น, บ น, บน แตงไม่กอนบ่นอาตมาตลอดบนบ่นบนบนนบนพอวันดีคืนดีมาระยะหลังท่านไม่บนเลยพูดนี้เพราะไปสืบค้นจริงป่วนเห็นไหมคิดบนเนี่ยเพราะรักรักอยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ยทําอย่างที่ใจตนเองเป็นพอไม่เป็นอย่างที่ใจตนเองต้องการก็บนว่าบนว่าแต่พอต่อมา พอป่วยขึ้นมาไม่บอกพูดดีวันใดพูดดีวันนั้นแปลว่าแค่ป่วยก็แค่นี้เองแล้วก็ใช้ปัญญาก็ไปรู้ตามที่มันเป็นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันมีคนคนหนึ่งแม่ด่าบนอยู่ตลอดเวลาเลยเนะมีอยู่วันหนึ่งแม่ก็บอกอย่าไปนะให้อยู่บ้าน ถ้าไปขอให้ขอให้เสือกัดตายที่ลูกคนนี้ก็มีฟางไปเลยไปไปไปปุ๊บก็ในขณะที่เดินลัดป่าไปเนี้ย<ๆ>ก็เสือมันขวางทางอยู่เตยวนี้ก็เดินยืนอยู่โอ้โหตายแล้วเอาละอยากพิสูจน์ความรู้สึกของแม่ว่าแม่เนี่ยอยากให้เสือกัดเราจริงๆถ้าความรู้ถ้าป่าของแม่พูด ว่าขอไปขอให้เสือกัดตายถ้าความต้องการของแม่อยากให้เสือกัดเราตายจริงเร า, เาก็จะยอมพี่เจ้านี่ก็เดินเดินเข้าหาเสือเลยแล้วก็ไปยืนจ้องกับเสือสักพักหนึ่งเสือก็เดินเข้าปากหายไปจึงลูกโอแม่ถึงแม้จะด่ายังไงว่ายังไงแต่ในใจไม่เคยคิดประทุสร้ายลูกเลยเช่นด่าขอให้ไปตายขอให้วิบัติเนี่ย ไม่ฟังกูอะไรก็แล้วแต่แต่ในใจแม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพูดเพื่อปลามไว้ปรามไว้แค่นี้เองคนแกแต่คำว่ารักน่มันบาีมันไม่ต้องออกมาหวานชื่นอะไรหรอกมันออกมาแบบนี้มันกลายเป็นรักได้เห็นไหมนะแต่เราเนี่ยอ่านอัธถะาไม่ออกเหมือนนรอกร้องเนี่ยยอมมันก็ไม่รู้ใช่ไหม นี่นกไม่ได้เจอเอามาหรือเจอคนแก่ร้องโอยโอยโอยเนี่ยเราก็นึกว่าหรือเจอคนแก่เขาเดินงงงงงร้ก็อ่านอัธยาไม่ออกเพราะพวกเราเนี่ยปัญญาเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไงถ้าคนมีปัญญาเขาเห็นคนแก่นกเดินถือไม้เท้าหรือเจอคนป่วยนอนกระสับกระสายปากก็บ่นเผลอพูดไม่เป็นคา ถ้าคนมีปัญญาเขาอ่านอัดถาได้เขาอ่านอะไรเขาอ่านว่าเขาพูดอะไรกับเราภาษาเขาจะพูดยังไงก็พูดไปแต่อัฏถาที่เ็าบอกว่ามีคุณแต่ก่อนฉันก็เป็นเหมือนคุณยังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีสติปัญญาช่วยตัวเองได้ทุกอย่างและฉลาดป่าเปลืองทำกิจอะไรได้มีความสามารถ แต่ตอนนี้คุณดูฉันดูมีขาฉันเดินไม่ได้มีแขนฉนช่วยตัวเองไม่ได้มีอวัยวะร่างกายทั้งหลายอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่คือความจริงนะแต่คุณก็อย่าประมาทเพราะคุณก็ยังไม่พ้นจากการที่จะต้องเป็นเหมือนเรานี่ยอัถานี่เราอ่านได้ไหมก็ไม่ได้แล้วเจอเด็กนอนอยู่ในบอ่อ ใช่ไหมดิ่งแงงๆงๆๆงงแกิ่วโอ้โหโ อ, โอแต่เราไม่รู้เลยไอเด็กคนเนี้ยมันบอกอะไรเรามันบอกว่าแต่ก่อนนั้นก็เป็นวัณคุณนนี่แหละเคยเดินได้วิ่งได้ทํากิจกรรมได้ช่วยเหลือตัวเองได้ชานฉลาดทํากิจอะไรได้ทุกอย่างแต่ปัจจุบันนี่มีมือมีเท้ามีปากมีอะไรพูดและ ไ, ไม่รู้เรื่องเห็นไหมเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดไหม แม่คุณก็ยังไม่พ้นอย่างเราเดี๋ยวคุณก็ต้องไปตายตา ย, ตายเสร็จก็มาเกิดอย่างเราแล้วก็วนอยู่ในสังสารวัฏเหมือนเรานี่ไงอัฏถานั้นภาษาแม่ที่พูดด่าว่าชมทั้งหลายเหล่าเนี้ยเราเราเข้าใจเพียงแค่พยัญชนะแต่อัฏฐาเนื้อความที่แท้จริงเราไม่สามารถเจาะเข้าไปได้จริงเพราะอะไรปัญญาไม่ถึงแต่คนที่มีปัญญาเขาอ่านอัฏฐาได้หมดเลยนะยมเนะอ่านได้ไมมกระทั่งเสียงนกร้องนกร้องเนี่ยอ่านอัฏฐาได้หมดว่า แต่ก่อนเขาเคยเกิดเป็นมนุษย์เคยยิ่งใหญ่ยังไงเคยเป็นราชาหมากระสัตรยังไงแต่ดูสังสารวัตรดูความเจ็บปวดดูบา ป, ประกรรมที่เขาทำที่สุวนจริงเขาเป็นได้แค่นกแม้คุณก็อย่าประมาทเพราะคุณก็ยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคุณก็อาจจะต้องมาเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นไหมนักบวชก็ดีคนที่ศึกษามาดีเขาอ่านอัถยาพวกนี้ได้หมดเลยนะยอเนอนี่เหมือนกันยอมอย่าติดแค่พยันชนะเสียงด่าหรือเสียงชม แต่โยมต้องจอบไปอ่านอัฏถาเนื้อความที่แท้จริงให้ได้ถ้าอย่างนี้โยมจะเจริญโยมจะฝึกตัวเองได้แ้โยมจะไม่เครียดจะไม่ทุกข์กับปัญหาเพียงแค่นี้พอมองเห็นนี่ยงยากไหมยากยากเจอาะไม่ยากหรอ <c oughs> แต่รู้แล้วไงเราได้ได้ไกด์ไลน์ในการที่จะไปคิดแล้วได้วิธีการแล้วใช่ไหมล่ะ ก่อนหน้านั้นเราไม่รู้นี่แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเขาไปฝึกคิดแค่นี้เองแต่ก่อนเราไม่มีคนบอกเราแบบนี้ตอนนี้มีแล้วไงแต่ก่อนกุศลไม่ให้ผลตอนนี้ให้แล้วไงเราก็เอาไปฟังแล้วก็ไปเอาไปคข้ครวนยังไและ<ม>เราอยาคิดกลับไปคิดกับแม่ก็ได้ไปต่อก่อนกันอีกเมื่อไหร่ก็ได้ก็าเห็นโลกโลกที่เขาทำกันยะแยะหมดไปฟ้องร้องอยังได้ลไเลยใช่ไหต่อก่อนกันอย่ายให้มันจบนะ กลับไปคิดให้มากกว่าเดิมอีกก็ได้ปลงใจอย่างพอเห็นประเด็นนี้ยังไปมีมุมใดๆที่ยังจะโกรธแม่อยู่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีใช่ไหมแต่กลับไปเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาอีกิตอนนี้ไม่มีจริงๆไม่ อ, อม้ม่า่ี <c oughs> พอรู้จักทั้งแม่ทั้งลูกแลวก็ทราบว่าสิ่งที่แม่พูดจาหรือแสดงอาการอะไรมาหรือว่าสร้างความเจ็บช้ำให้เขาเยแต่พี่เจี๊ยบเองทุกปีเวลากลับมาก็จะมาพูดว่าจะทํายังไงดีอยากจะดูแลแม่อยากจะพาแม่ไปเที่ยวอยากจะกลับมาอยู่กับแม่อยากจะดูแลแม่ สิ่งที่โยมเห็นก็คือกูสลในใจซึ่งเขามีเขามีความตั้งใจดีไม่ว่าแม่จะแสดงอะไรยังไงหรือแม่จะจริ ง, รงๆแล้วไอ้การความไม่ยุติธรรมอะรนี่มันก็มีมาตลอดมาเป็นตั้งแต่ไปรู้จักพีเสียมาก็เห็นแต่เขาก็เหมือนกับว่าเออก็เนี่ยแม่ทาอย่างนี้แต่ว่าก็ยังอยากจะดูแลแม่ไอสิ่งดีๆอย่างนี้จะทำยังไงให้เขาเห็นว่าเขาตรัง บำเพ็บารมีเขากำลังทำสิ่งดีๆที่มันีค่าก็เขาไม่เห็นว่าตัวเองกำลังสร้างบารมีอันนี้แล้วเขาทำได้เยอะทีเดียวคือ ค, คือจริงๆคืออย่างนี้ว่า อ, อสิ่งที่ควรควรคิดก็คือว่าอย่าใช้ความรู้สึกไปจัดแจงว่าคุณแม่ต้องเป็นแบบนั้นไี่เป็นแบบนี้น อันนั้นมันมันเหนือการควบคุมคุณแม่เป็นไปตามเจตนาเจตจำนงและความจงใจที่คุณแม่ เ, เป็นตามอัธยาศัยการสั่งสมที่คือคุณแม่ก็าทำมาจนกลายเป็นบุคลิกภาพกลายเป็นแพทเทิร์นกลายเป็นรูปแบบซึ่งไม่ต้องไปคิดคิดก็เห็นว่าเธอจะเป็นยังไงจะมองก็รู้อันนั้นแปลว่าอะไร แปลว่าเจตนาเจตจำนงที่ถือต้องการจะเป็นแบบนั้นมาและถือก็ได้เป็นตามที่ถือตั้งใจอย่างนั้นแล้วนี่บรรดาบุคคลที่เป็นลูกก็ดีหรือบุคคลที่เรามองถ้าปราดปรารถนาจะฝึกตนเองก็ดีที่เราจะมองโลกหรือมองชีวิตนี้ให้มองตามที่มันเป็นมันเป็นอย่างไรก็มองมองอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างไรมองอย่างนั้น และพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้นโดยการที่ไปเจาะให้เห็นองค์ประกอบทั้งหมดได้ก็จะเป็นคุณต่อปัญญาเมื่อเรามองเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นโลกเห็นชีวิตตามความเป็นจริงหรือตามที่มันเป็นแต่ไม่ใช่ไปมองกระแสชีวิตใดกระแสชีวิตหนึ่งโดยเฉพาะมองไปที่กระแสชีวิตของคุณแม่ แล้วก็มีความต้องการอยากจยากให้เป็นใช่ไหมมองโลกและชีวิต <ด lum S 3> ตามใจที่เราอยากให้มันเป็นเมื่อเรามองโลกและมองชีวิตตามใจที่เราอยากให้มันเป็นอยากให้คุณแม่เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้แปลว่าเรามองด้วยกระแสะของตัณหากระแสะของความอยากกระแสของความต้องการกระแสของทิฏฐิความเห็นของเราว่าแม่ต้องเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้น การมองในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามองฝืนกฎธรรมชาติกดธรรมดาก็ธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เรารู้แล้วเข้าใจเราจะไปอยากหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามองแบบฝืนกระแสของความจริงเราถูกกระแสปัญหาคือความอยากเนี่ยชักนําพาจิตใจของเราให้ไปมองโลกมองชีวิต ตามใจที่อยากให้มันเป็นพอสองกระแสมันกระทบกันกระแสของความจริงคือคุณแม่ที่เป็นอย่างนั้นกระแสความความอยากคือความต้องการในใจของเราที่ไปกระทบพอไปกระทบขึ้นมาปุ๊บกระแสไหนชนะกระแสความจริงหรือกระแสความอยากในใจเรากระแสความจริงชนะกระแสความอยากในใจเราแพ้ใครทุ ก, ทกตันหาทุกทิฏฐิทุก แล้วก็จมอยู่กับเนี่ยมองเมื่อไหร่คิดเมื่อไหร่ก็คิดโดยกระแสะของความอยากกระแสะของตัณหามันไม่ใช่มองแค่แม่มองที่ลูกแล้วก็ทุกข์เราก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนู้นมองที่สามีมองอีกเยอะมองที่เพื่อนและเราก็กลายเป็นคนมองโลกและชีวิตตามใจที่เราอยากให้มันเป็นภาษาพาก็เรียกขวางโลกขวางโลกขวางธรรมชาติขวางความจริง แล้วชีวิตมันจะสุขได้ยังไงมันก็เลยไปดึงเอาทุกข์ของธรรมชาติมาใส่ไว้ในใจเราเราก็เลยกลายเป็นคนอมทุกข์เป็นคนแบกทุกข์ไม่จบไม่สิ้นพอสิ้นคุณแม่ไปมันไม่หายทุกข์หายได้ยังไงเพราะสัญญาจํามันจําไว้ในใจแล้วจําไว้หมดว่าคุณแม่เป็นอย่างนี้ แต่คุณแม่จริงๆเนี่ยตายไปแล้วแต่คุณแม่อไอ้คุณแม่เทียมเนี่ยตายไปแล้วคุณแม่จริงๆในใจมันไม่ยอมตายไปจากใจเราเนี่ยนี<อ>่ทําไงเนี่ยเพราะคุณแม่อยู่ในใจเนี่ยมันแก้ยากที่สุดคุณแม่ข้างนอกไม่ต้องไปแก้อะไรเราไปทำธรรมชาติแต่คุณแม่ที่มาอยู่ในใจทํำยัำยงไงถึงอยู่ในใจแล้วมันลงล็อกในใจมันปั่นอยู่ในใจแ ล, แล้วทําไงเราก็ต้องอยู่กับคุณแม่แท้ๆเนี่ยคุณแม่ที่ยึดถืออยู่เนี่ย ที่เห็นว่าคุณแม่เป็นอย่างนี้ไอ้ความคิดอย่างเงี้ยไอ้ความไม่ชอบที่คุณแม่ให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วยอมจะเดินออกจากมันยังไงยอมก็เจอคุณแม่ในใจเนี่ยเบียดเบียนตัวเองตลอดเวลาเลยตัเนี้ยให้คุณแม่ก็ไม่ได้มาเบียดเบียนอะไรเรานะคุณแม่คือความเห็นคุณแม่คือตัณหาคุณแม่คือทิฏฐิคุณแม่คือมานะในใจเราเนี่ยไอ้สัญญาตัวปั่นตัวเนี้ยคุณแม่ในใจเนี่ยมันก็ทําลายตลอดทําลายเราตลอดสรุปแล้วคุณแม่ทําลายเราหรือว่าอะไรทําลายเรา ตั้หามันทำลายก็ตั้นหามานา่าทิฏฐิเจตนาที่ผิดพลาดวิปริตในใจเราต่างหากที่มันทำลายกระแสชีวิตเราเร็วแล้วเราเราเห็นไหมที่ไปจําว่าคุณแม่ไม่ใช่จากคุณแม่ถ้าไปนคนุณลูกคุณสามีอะไรอีกเยอะหมดใช่ไ้มละ่ะแล้วก็เก็บเอาความรู้สึกนี้มาทําลายมาหมุนมาปรุงแต่งทําลายตัวเองแล้วแล้วเราเราอยู่นี่แหละ แล้วก็บอกว่ารักตนเองเนี่ยมนุษย์ที่รักตนเองเนี่ยแล้วเบียดเบียนตนเองอย่างนี้จะชื่อว่ารักตนเองได้อย่างไรคนรักตนเองเขาไม่ทําลายตัวเองแบบนี้ไม่เบียดเบียนตนเองอย่างนี้ไม่ปรทุสร้ายตัวเองนี้ใช่ไหมถ้ารักตนเองก็ปราศจากไหนตนเองประสบความสุขในปัจจุบันและในการต่อไปสิอยากจะรักตนเองหรือยังเดี๋ยนี้อยากรักตัวเองไหมถ้าอยากรักตนเองก็อย่าอย่าคิดอย่างนี้อย่าเบียดเบียนตัวเองแบบนี้ ในโลกใบนี้ไม่มีใครทำลายเราได้นอกจากเจตนาที่วิปริตทั้งหลายความคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายนี่แหละมันทำลายใช่ไหมหรือยังอยากทำลายตบบ <c oughs> ใช่ไมเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเราจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองคุณแม่มีพฤติกรรมไม่ดีกับเราเนี่ยนับได้เนี่ยไม่กี่ครั้ง แต่เจตนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีที่เราไปจำอย่างนี้มามาปรุงแต่งทำลายตัวเองเนี่ยมากเหลือเกินถ้าเราจะโกรธจริงๆเนี่ยควรโกรธคุณแม่หรือโกรธกิเลสตัณหาในใจเราใช่ไหมบางครั้งเนี่ยมีใครมาทำลายรือมาประพฤติกับเราไม่ดีมันด่าเราอาใหนะ้สมมติคุณแม่ด่าเราหมื่นครั้ง ฉันให้อย่างมากเลยนะหมื่นครั้งที่แม่ใช้คำพูดไม่ดีกับเราเแต่เรามาทำลายตัวเองมาด่าตัวเองเนี่ยไม่ตามกว่าร้อยล้านครั้งจริงไหมจริงแล้วใครล่ะที่ควรจะแก้ไขเราควรจะไปแก้ที่คุณแม่หรือแก้ที่เราเนั่นเป็นอย่างนี้ตลอด เนี่ยเรานั่งคุยอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่ไม่เห็นมาเบียดเบียนอะไรเราเลยเดินห่างแค่สองสามวาันคุณแม่ก็ไม่ได้พูดเบียดเบียนเราได้ยินไม่ได้ยินแล้วแต่ไอความจําของเราสัญญาของเราที่ไปจํามาว่าคุณแม่ทํากับเราไม่ดีนั่นเราเหมือนคุณแม่เอาที่ของเราที่ส่วนของเราไปเนะี่ยครั้งเดียวเองอ่ะ ใช่ไหมแต่เราเนี่ยเมื่อตอกย้ําว่าคุณแม่เอาที่เราไปเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ร้านครั้งใช่ไหมจริงไหมจริงนเนี่ยมันถึงบอกว่าเราก็ไม่เคยเห็นกันนาทีไอ้ตรงเนี้ยคนที่จ้องเบียดเบียตนตัวเองมันคือตั้นหาตัวนี้ความต้องการเดยวนี้ความทะยามอยาพกพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะได้เข้าใจอ๋อเริ่มมองเห็นที่ยังไปี น, นี้ เป็นแบบนี้ไหมฉันต้องบอกว่าเวลาเราจะสละหรือจะให้เนี่ยมันต้องถามเราเนี่ยเราจะสละได้ไหมจะให้ได้จริงๆนะเพราะสละเนี่ยมันต้องสละองค์ประกอบทั้งหมดกระบวนการความคิดความยึดติดความต้องการความอยากได้ทั้งหลายเราเนี้ยความเห็นแก่ตัวความตนี ความริษยาความโลภความโกรธความไม่พอใจทั้งหลายนั้นต้องสละออกาไปสลายเรื่องนี้เนี่ยถึต้องสละถ้าสละออกได้เนี่ยเราเป็นอิสระแล้วก็โ ล, ลง่งโปร่งแล้วก็เป็นเสรีภาพแล้วก็ชนะเขาเรียกว่าชนะสงครามเนี่ยใช่ไหมมันชนะสงครามที่ชนะได้ยากทีก่สุดชนะไอ้ตัวนี้ใช่ไหมถือว่าชนะแล้วเราชนะแล้วเราจะพูดตลอดเราชนะ แ, แต่ก่อนเราแพ้มาตลอด จะั้ยตอนนี้มันจะชนะได้จริงยากไหมฉันถึงพยายามบอกพยอมเลยว่ายอมอยากจะอยากจะได้คืนนะมันไม่ยากมันไม่ใช่เรื่องซัพ์ฉันพูดมาตลอดเลยเรื่องซัพ์เนี่ยเอามาได้ไม่ยากไม่ยากเลยแต่ว่าเชื่อไหม พอได้ทราบแล้วมันไม่ใช่ยุติใชมันไม่ใช่ยุติมันยังไปอีกเยอะแล้วมันจะต้องพูดมา ก, กว่าจะได้มาอะไรอีกมากไอความเข้าใจเนี่ยสําคัญที่สุดเริ่มมองเห็ น, นียังสละได้ยังหรือยัยังมีเงื่อนไขของกิเลสอะไรอีกไหมมีไหม ตอนนี้คิดไม่ออกกับให้หรออาจจรย์ไม่มีไม่มีเทำไมเราอยากมาดูคุณแม่มใช่ไหมทำไมเราอยากปฏิบัติดีต่อคุณแม่มถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ในโลกเนี้ยเรามีแม่กี่คนมีกี่คนอีกแค่คนเดียวเพืยนี่เลย แม่คนนี้ตายไปแล้วไปเอาคนอื่นมาเป็นแม่ได้ไหมไม่ได้ก็เหลือแค่แม่คนเดียวไงมีแม่แค่นี้แหละคนเดียวนี้แหละในชาติเนี้ยไปหาแม่คนไหนไม่ได้เพราะที่เป็นแม่ตรวจดีเอ็นเอมาเลยก็ใช่จำไหมล่ะคือ <c oughs> แม่ไงเราต้งอยากปฏิบัติกับแม่ ทีนี้เวลาอยากปฏิบัติเนี่ยมันเป็นความผิดไหมไม่ผิดหรอกเป็นความดีไหมเป็นความดีแต่มันเตลิดไปตรงที่ว่าอยากให้แม่ทํากับเราอย่างนั้นอย่างนี้ไออย่างเนี้ยอย่างนี้ยก็เรียกว่าจงทําหน้าที่ของตนเองในฐานะความเป็นลูกให้ถูกไม่ต้องไปบังคับให้ท่านทําหน้าที่ข้ความเป็นแม่ท่านไม่ทํา ก็เป็นความผิดของท่านเฉพาะตัวถ้าท่านทำก็เป็นความถูกของท่านเฉพาะตัวแต่ไม่ใช่เอาการไม่ทําหน้าที่ของแม่มาผลักดันว่าเราก็จะไม่ทําหน้าที่ของลูกมันก็เหมือนกรณีที่เราเห็นคนอื่นโกรธแล้วเราไปโกรธตอบเนี่ยเราไปเห็นคนอื่นก็ไม่ทําหน้าที่แม่เราก็เลยไม่ทําหน้าที่ลูกเนี่ยถามว่าใครผิดมากกว่ากัน เราเนี่ยผิดมากกว่าเพราะว่าเขาทําสิ่งที่ไม่ถูกให้เห็นแล้วเราก็ยังไปทําสิ่งที่ไม่ถูกตามเขาอีกใช่ไหมก็เห็นว่าเขาทําไม่ถูกแล้วก็ทําให้มันถูกเสียอย่างนี้จะดีไหมแล้วก็ให้ชื่นใจได้ไหมเมื่อเราได้ทําหน้าที่ให้สุขใจให้ชื่นใจให้ล่าเลืองผ่องใยว่าอย่างไรก็ชื่อว่าเราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิด ตายไปแล้วก็ไม่มีคนตําหนิตีเตียนบัณฑิตคนผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่ตําหนิเราได้ใช่ไหแล้วไม่อายใครชื่อว่าเราเพียรพยายามในการที่ทําหน้าที่ความเป็นลูกให้ดีที่สุดอย่างนี้เขาเรียกไม่เสียชาติเกิดจริงไหมถ้าไม่ได้ ท, ำทํำดิเกิดมาม เ, เสียชาติเกิดเขา้าใจยังเสียชาติเกิดนะเนี่ยอย่างเนี้ยชื่อว่าไม่เสียชาติเกิดเพราะเราได้ทําหน้าที่ ใช่ไหมล้ะและเราทำหน้าที่โดยไม่มีเงื่อนไขในถูกต้องไม่มีเงื่อนไขว่าฉันทำหน้าที่นะทำไมแม่ไม่ทำเอา้าไปต่อรองอะไรกับท่านเราแล้วก็ทำสิถ้าทำปุ๊บแล้วแม่ก็พูดแล้วก็บอกท่านตรงๆแม่หนูทำหน้าที่ของความเป็นลูกเพราะหนูรัก หนูกระตันอยู่หนูรู้คุณแม่อย่าห้ามหนูทำเลยนะอย่าห้ามหนูทำเลยแต่ถ้าหนูพูดอย่างนี้แม่จะห้ามหนูหนูก็ไม่หยุดทำหรอกเพราะหนูจะทำหน้าที่เป็นความเป็นลูกจนกว่าลมหายใจของหนูจะหมดเมื่อเมื่อลมหายใจหมดแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไง แต่ตอนนี้ยังมีลมหายใจมีจิตสำนึกมีความรู้สึกตัวว่าเป็นลูกหนูก็จะทำหน้าที่ต่อไปนะแม่พูดได้ไหมอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ทำเพื่อต้องการให้แม่จะมาตอบแทนหรือไม่ตอบแทนทำหน้าที่แม่แต่ท่านหนูได้ทำแล้วหนูชื่นใจในสิ่งที่หนูได้ทำหนูได้ปฏิบัติในฐานะที่แม่เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจของท่านดารงวงตระกูลทาตนให้เหมาะสมกับการเป็นท า, าติ ถ้าแม่ล่วงลบไปแล้วหนูก็จะทำบุญอุทิศก็คือหน้าที่ของของของของลูกที่พึงทำเหมือนทำบุญอุทิศไห้พ่อตลอดหนูก็ต้องทำตลอดนี่มันหน้าที่ใช่ไหมมันมีว่าเหตุผลที่ทำหน้าที่เนี่ยเพราะอะไรไยเพราะอะไรถึงต้องทำใช่มมนุษย์เนี่ยวิว่ามนุษย์เนี่ยจะประเสริฐได้ด้วยการฝึก อันนี้เป็นกำลังใจส่วนคำว่าต้องฝึกนี่เป็นหน้าที่หนูเป็นลูกหนูต้องพยายามฝึกตนเองให้เข้าถึงความเจริญแห่งธรรมะใช่ไหฝึกตนเองก็คือทำหน้าที่ความเป็นลูกให้ถูกต้องฝึกตนเองเพื่ออะไรเพื่อเข้าถึงคุณธรรมของความเป็นลูกเข้าถึงคุณธรรมนะ ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้แม่เพื่อแม่แม่เนี่ยเป็นผลพลอยได้แต่การฝึกตนเองให้เข้าถึงคุณธรรมถึงความเป็นลูกเนี่ยเป็นจุดหมายหลักห็นไหมายว่ามนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกก็คือด้วยการเข้าถึงธรรมะประเสริฐส่วนต้องฝึกนี่เป็นหน้าที่มันต้องทําเนี่ยท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบนีเป็นหน้าที่ แต่อาศัยการเลี้ยงท่านตอบทำหน้าที่ตรงเนี้ยคือเป็นการฝึกตนเองฝึกพฤติกรรมฝึกจิตใจฝึกปัญญางค์ตนเองเพื่อให้เข้าถึงอะไรธรรมะเข้าถึงคุณธรรมความเป็นลกูกเนี่ยหนูต้องการเข้าถึงคุณธรรมมกว่าเป็นลกูกหนูกําลังฝึกตนเองอยู่และมันต้องฝึกเพราะมันหน้าที่หนูมาทําหน้าที่คุณแม่อย่าห้ามหนูเลยถ้าจะห้ามแต่คําเนี้บอกแม่ไว้อย่างเนี้ อย่าห้ามว่าหนูมาหาแม่บ่อยหนูมีศักยภาพจะมาได้แล้วก็บอกคุณแม่ตรงๆเลยว่าหนูไม่ได้มาเพื่อมาทวงทรัพย์แล้วก็วันเนี้ยให้สลักจิงๆไม่ได้มาทวงความชอบทําไม่ชอบทำํำใดๆแต่หนูมาทําหน้าที่ชีวิตมันเหลือน้อยนะแม่แม่เหลือน้อยหนูเหลือน้อย ทำไมต้องมาเพราะเป็นแม่ไงทำไมไม่ไปทำกับคนอื่นนะไม่ใช่แม่ต้องมาทำกับคนนี้แหละเพราะคนนี้เป็นแม่ใช่ไหมถึงต้องมาทำคนอื่นนะ่ะแม่เขาตายหมดแล้วก็ไม่มีโอกาสทำแล้วหน้าที่ตรงเนี้ยเลี้ยงท่านตอบเน่ยจะทำยังไงย่างไงยอมบีไม่มีโอกาสเลี้ยงแม่แล้วยอมแหวไม่มีโอกาสเลี้ยงแม่แล้วคนคนที่ตายแม่ตายไปแล้วหมดโอกาสแต่หนูยังมีโอกาส น, นั่หนูแม่ต้องปล่อยให้หนูฝึกข้อนี้ หนูจะไดฝึกตนเองเข้าถึงคุณธรรมเข้าถึงธรรมะจริงไหมเนี่ยอย่างเนี้ยมาทําหน้าที่มาฝึกตนเองหนูอยากจะทําหนูปรารถนาอยากจะเข้าถึงคุณธรรมความเป็นลูกไอ้สิ่งที่ทําไปเนี่ยมันเป็นบุญของหนูเป็นกุศลมันเป็นกุศลเป็นหน้าที่ที่ต้องทําพอทําไปแล้วหนูได้อะไรได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงความสุขเข้าถึงความปลอดโปร่งโล่งใจได้มาตักน้ําให้แม่กิน ได้มาของให้แม่ใช้ได้มาปัดกวาดเช็ดถูได้มาจูงแม่ได้ดูแลแม่ให้หนูได้ทําใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าทําหน้าที่เขาได้ทําหน้าที่ตรงนี้ก็คือได้มาฝึกตนเองได้ฝึกตนเองก็ได้เข้าถึงอะไรเข้าถึงทำมาเพราะโอกาสการทาอุนน้อยแล้วเกิดเราอยู่ต่างประเทศไม่มีโอกาสเลยที่จะมาทําด้วยกายด้วยว่าจใช่ไหมได้จะส่งใจมาส่งใจมอะไรอย่างนี้เป็นต้น อาตรงนี้ได้มาทําหน้าที่ถามว่าถ้าพูดอย่างนี้แม่เข้าใจไหมโอ้เข้าใจพูดอย่างพูดอย่างคนพูดอย่างจิตเป็นอิสระพูดแบบเช่นนี้ที่ถ้าท่านจะพูดมาไม่ดีกับเราเห็นเป็นไรทาพูดนี้ได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ถ้าแปลกที่ถ้าแม่จะมาพูดว่าหนูเจี๊ยบใช่ โอ้ประหลาดเลยกลับไปนอนคิดใหญ่เลยจะมาไม้ไหนก็ใช่ไหมล่ะใช่ะพูดอย่างน้กันยงงเลยน่นี่แหละก็งงั้นท่านจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อท่านป่วยถ้ายังไม่ป่วยท่านยังไม่เปลี่ยนเราก็ต้องเข้าใจใช่ไมท่านต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้อันนี้เป็นมาตรฐานของท่านเข้าใจยังเป็นมาตรฐานเป็น เป็นความเห็นเป็นทัศนคติมันเป็นความเชื่อว่าถ้าฉันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นจะไม่เป็นอย่างอื่ น, น, นเหมือนเราอ่ะเราก็จะเป็นของเราแบบนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าคนละ ม, มุมอะถึงเกิดมาเป็นแม่ลูกกันไงใช่ไหมล่ะมีมุ ม, มที่มีมุมที่เขาเรียกอะไรเนะี่ยต่างในความเหมือน ชตายในความเบื่อจริงไหมจริงเดนเนอะก็ไม่เป็นไรสละได้ยังอ่าวสละอ้าวเรามาช่วยกันมาใกลๆเด็กดวใจจริงๆให้สิทธิให้ยาอย่ากอนอกน้อมกับ Buddha จ้าหน่อยเนาะ อ, อ่าตามตามน้ำมันน้ำน้ำมันะ ข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าออพร ะ, ร, ะาระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เอ ง, อ, ง, งอาหารวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสาปโส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 ที่เสียสระสั่งสมพระบารมีเพื่อประกาศธรรมนำเวเนยศาสตร์ออกจากวัฏจุกข้าะเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสยิ่งข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธา เช huh> ื่อมั่นในปัญญาตัสรู้สัมมาสัมโพธิยาของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสารณะเป็นผู้มีศีลปรารถนาจะพ้นจากกองทุกมาวันนี้ข้าพระเจ้าจะถวายนะ่ ให้ไหมให้แม่ไหมให้เนะื้อข้าพเจ้าขอสละที่ดินกี่ไร่จำนวนเท่าไหร่ ที่ดินที่ด้าที่ินบอกเลยป็นเนอเงินเทน้เป็นอะไเป็นพุ่นพูนทายาสาาดพุแล้วก็อะไรอีกที่ดินแคนาห์พุ่นพุ่นแล้วเงินเงินให้กับให้กับคุณแม่ว่าเพื่อบูชาพระคุณของคุณแม่บูชา พระคุณของพ่อบูชาคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ด้วยการสละขาดกณบัดนี้ด้วยอริสงเหการสละบูชานี้ขอให้ข้าพัดเจ้า ขอให้พระพุปสรร้พ้นจากอุปสรรคและอันตรายทั้งหลายโดยฉับพันเอายกน้ำขึ้นเทเลยเอาน้ำเป็นพยานเลยนะตั้งใจเทเลยนะเนีเทเลยนึกในใจประดุดังเป็นหุ้นเป็นทรัพทั้งหมดนะเทสละอุทิศให้กับคุณแม่นะ เรียก็่าบูชาคุณของคุณแม่ที่เลี้ยงเรามาคุณพ่อที่เลี้ยงเรามาแล้วก็บูชาคุณของพระเจ้าว่าธรรมประสงค์สละขาดเลยนะเสละขาดเหมือนน้ำที่หยดลงไปขาดในทุกจุดเลยถ้าจะให้เหลือก็ตักเหลือไว้ถ้าไม่หเหลือก็เทให้หมดนะนั่นแหละเหมือนสละในใจเราสละขาดให้หมดไปเลยว่าโอ้เราได้เด็ดดวงใจยื่นให้นั่นแหละสละทั้งอวัยวะทั้งชีวิตทั้งความสุข หุ่ทั้งหลายทรัพทั้งหลายเราควรจะได้ทั้งหลายเราขอสละบูชาคุณของแม่ขออย่าให้ติดข้องกันอีกเลยเนี่ยเราได้ให้แม่แล้วเรารักแม่นีเออเนี่ยสาธุสาธุสาธุนี่โอให้ยริโมทนาด้วยขอโมโหทนากุศลก็ยอมเยียบได้นะขอให้เป็นปัจจัยในการพ้นจากกองทุกข์ให้มีปัญญารู้ความจริง ของกระแสชีวิตจะได้จมกับกองทุกน้ำตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขาดหรือยังสลาขาดหรือยังขาดแล้วเนื้อนั่นแหละเด็ดดวงใจยืนแล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเด็ดดวงใจยืนอย่างนี้สลาเลยอย่างสลาถวายอุทยานาถรินธิกาศเศรษฐีเนี่ยเทใส่พระหัตถุรจ้าเลย เยอะให้เลยมีเป็นตัวแทนของพระเจ้าแร้วสองเทใส่มือให้รับเลยปุญศักดิ์ก <c oughs> ุลสิ่งที่ได้สาธุอุอทิศส่วนกุศลได้เลยขอบุญนี้นนจงสำเร็จแก่ ญ, ญาติทั้งหลายขอ ญ, ญาติาทั้งหลายจงยอนุโมทนาส่วนกุศล ที่ข้าพเจ้าได้สละนบัตดนี้ขอให้สัรพสัตทั้งหลายจงพ้นจากทุกเข้าถึงบรมสุขโดยทั่วถึงกันจงทุกทุกท่านเถินสาธุสาธุนี่จัดขโมทนากันทั้งหมดโอ้โหบุญใหญ่เลยเพินนี่บุญยงใหญ่เลยเพน ขาดไหมสละขาดไหมเอมโอโหน่าชื่นใจโมทนาดยโหทั้ทงนั้นเดี๋ยวติดข้องกันอีสละขาดแล้วอีนนี้ไม่ติดข้องแล้วทงนี้ เมามเลยต้นีต้นีเดี๋าักร์ช่เวนี้ใช่ไมาวันวันันุกุจะไปยีบสองันเดียวใช่าบอกาตตอเไปอะไรกันลูกชายจะมาเจ้าค่ะอ๋อชจะมารอมีลูกชายเจ้าค่ะ ลูกชายเรียนจบแล้วจบแล้วทำงานแล้วอ้เแม่ได้คะลูกชายเลี้ยงแม่ได้เลี้องได้ดีดีรับผิดชอบดูิลตัวเองดีดีละมีรูปเลี้ยงเราได้ตอนนี้ยังทางานอยู่นะอย่างนี้ททำแบบนี้อะไรา พัดถายมนพัดพัดทำทำอที่บ้านอจะหยุดทําท เ, เา ม, มื่อไหร่ก็ทําไปเรื่อยๆไม่จำเป็นจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้แฟนก็ยังทําอยู่ทำอยู่เป็นโรคคนเดียวไม่มีปัญหาให้อะไรไม่ก้องแบ่ง <c oughs> นั่นพิโรคนเดียว ไม่ก็ให้หมดไม่ให้ก็ไม่ต้องให้อืมีมีมีมีอะไรไว้ให้ลูกบ้างอจริงๆอยู่ต่างประเทศไม่ต้องให้อะไรก็ได้ให้ความรู้เข้าไปให้ชีวิตก็ไปเขาก็ไม่เขาก็ไม่หวังออืยู่รักอะไรแคลเซียมอ่ะจ้ะอ๋อไม่ไก่คนไทยเยอะ จะเป็นยงไปวัดบ่อยไมหรือเพไาะอะไรไม่ไเคยมีวัดเลยไม่เหมือนกันนะเราแต่ไม่ได้ไป <c oughs> ไม่ได้เป็นคนเข้าวัดเท่าไทั้งไปวัดที่ ต่างประเทศข้อมูลอะไรมันก็จะได้น้อยนะั้นฉะนั้นมันจะเป็นที่ที่นะ oh, oh. เป็นแบบที่ที่คนไทยหรือินาหารไทยจะมรับอะมากม oh. ัเป็นเหมือนเป็นสัญชาติที่ที่าน oh. okay,